จเจริญพรทุกๆท่านนี่หลวงพ่อมาอเมริกาปีนี้เป็นปีที่สองนะพวกเราหลวงพ่อมาดูปีแรกมาสอนปีนี้มาประเมินผลพวกเราสอบผ่านส่วนใหญ่ก็สอบผ่านแล้วหลวงพ่อก็ไม่ต้องห่วงทางด้านนี้ละพวกเราหลายคนภาวนาเป็น แต่เดิมพวกเราส่วนใหญ่นะเข้าวัดก็เข้ามาทำบุญไม่ได้คิดเรื่องภาวนาหรือถึงภาวนานะส่วนใหญ่ก็ไปติดสมถะไปทำสมาธิให้สงบสงบเหมือนไม่ใช่ทางคนทุกข์หรอกนี่หลวงพ่อพยายามมาเผยแพร่ที่แรกก็เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ใสอินเทอร์เน็ตใสหนังสือซีดีพวกเราได้อ่านได้ฟังลงมือปฏิบัตินี่ปีกลายนี่ก็มาดูมาสอนหลักการเพิ่มเติมบางทีอ่านหรือฟังไม่ได้เจอกันบางคนก็ทำเป็นบางคนก็ตีความคลาดเคลื่อนก็มีปีกลายก็มาปรับทิศทางพวกเราให้อยู่ในลักษณะของสัมมาทิฏฐิ การเดินไปสู่มรรคผลนิพพานะเดินในทางสายกลางไม่ตึงไปไม่หย่อนไปพวกไม่ปฏิบัติหนะย่อนไปพวกลงมือปฏิบัติตึงไปจะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาตนะิเป็นที่ไหนก็เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติก็หย่อนตามใจกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าลงมือปฏิบัติก็เพ่งไว้บังคับไว้บังคับกายบังคับใจไปเรื่อย ขอยมนะหยุดถ่ายได้ละฟังธรรมะให้ได้ประโยชน์ไหมเสียเวลาถ่ายรูปไม่มีประโยชน์อะไรธรรมะสำคัญที่สุดทาเราพ้นทุกข์ได้ดูรูปหลวงพ่อก็เท่านั้นแหละดูธาตุดูขันดูสีตามมองเห็นไม่มีประโยชน์ะไรเอาธรรมะให้ได้นะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูง ยากนักยากหนาเลยที่จะเข้ามาสู่โลกมนุษย์ได้นานครั้งนะถึงจะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่มันก็เป็นธรรมะของฤาษีชีปลแยทำสมาธิสงบสงบไปวันหนึ่งวันหนึ่งพ้นจากความสงบพ้นจากสมาธิก็ฟุ้งซ่านใหม่พระพุทธเจ้าบางคนพบทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยไม่หย่อนไปไม่ตึงไปถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลส แต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเนี่ยยอดเกินไปพอคิดถึงการปฏิบัติทีไรนะก็บังคับกายบังคับใจจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่เหมือนคนธรรมดาจะเดินก็เดินไม่เหมือนคนธรรมดาผิดธรรมดาไปหมดร่างกายก็แข็งแข็งใจก็ไปรวบเข้ามาให้ซืมสมทื่อทแข็งแข็งไม่คิดว่าจะปฏิบัติอันนั้นมันทําความลําบากกายทําความลําบากใจให้เกิดขึ้น ถ้าลำบากกายลำบากใจก็ไม่ใช่ทางสายกลางตึงเกินไปครั้งหนึ่งเคยมีเทวดาไปดูถาม พ, พระพุทธเจ้าบ่กข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห่วงน้ำห่วงกิเลสก็คือถามว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรท่านก็ตอบว่าดูกนเทวดาเราตถาคตนะข้ามโอคะข้ามห่วงน้ําห่วงกิเลสได้เพราะเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอย ไม่พักแล้วก็ไม่เพียนไม่พักเนี่ยเข้าใจง่ายใช่ไหมขี้เกียจชี้คลานปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่ไม่เพียนเนี่ยแปลกเราเคยได้ยินแต่ว่าให้เพียนให้มากเข้าไว้เทวดาเจ้าก็ไปตอบว่าท่านข้ามกิเลสได้เพราะไม่พักกับไม่เพียนเทวดาก็ขอให้ท่านขยายความให้ท่านขยายความบอกถ้าท่านพักอยู่ท่านจะจมลงถ้าท่านเพียนอยู่ท่านจะลอยขึ้นท่านไม่พักไม่เพียน ท่านก็ข้ามกิเลสไปได้ด้วยวิธีนี้เทวดาได้ยินได้โสตบันพวกเรายัางไม่ได้เรากได้ยินประโยคเดียวกับเทวดานะยังไม่ได้ไม่พักคําว่าพักอยู่ก็คือปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งสบายใจไปได้วยอันนี้มันเป็นวิธีการที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายเวลามีความทุกข์ขึ้นมานะั้นก็ไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลิ น, พ, ลนพอใจ หารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสอะไรที่พลดเลินไปหมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งกลุ่มใจก็ไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปคุยกับเพื่อนไปกินเหล้าเมายาอะไรนะหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้อะไรขึ้นมาท่านบอกว่าทำแบบนั้นชีวิตจะจมลงหมายถึงว่าจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไปอบายนะไม่ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมา แต่ถ้าเพียนอยู่หมายถึงอะไรหมายถึงการบังคับตัวเองนะควบคุมตัวเองให้ลำบากเนี่ยถ้าเน่ห้ามก็ถ้าเพียนอยู่จะลอยขึ้นหมายถึงว่าถ้าเราคอยควบคุมตัวเองนะเป็นคนดีบังคับจิตบังคับใจน้อมจิตน้อมใจให้อยู่กับความสุขความสงบความดีการน้อมจิตน้อมใจให้อยู่กับความสุขความสงบความดีส่ใหก็คือเรื่องของสมรรกรรมฐาน ลราจะลอยขึ้นมาถึงลอยไปไหนนะลอยไปเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นพรหมนะลอยขึ้นไปงั้นแต่ไม่ไปนิพพานหรอกการจะไปนิพพานเนี่ยไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไม่ใช่บังคับกายบังคับใจคําว่าทางสายกลางจริงๆเนี่ยคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นหลักสําคัญเลยที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบ นักบลาสทั้งหลายาศาสดาทั้งหลายเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่างศาสนาอื่นเ้าก็สอนมีพระเจ้านะต้องเชื่อก่อนว่ามีพระเจ้าถ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเนี่ยสอนต่อไปไม่ถูกเลยสอนไม่ได้เพราะพระพเจ้าไม่เคยสอนเรื่องพระเจ้านะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีท่านไม่พูดถึงนะท่านบอกว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อความทุถูกอะไรที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ท่านถึงจะพูด งั้นอย่างไครก็นับถือเทวดานับถือเลยเราชาวพุทธไม่ได้ไปดูถูกเยียดยามเขานะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะว่าอะไรท่านไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริงความพ้นทุกข์ที่แท้จริงหรือทางสายกลางเนี่ยมันก็คืออยู่ในหลักของไตรสิกขานั่นเองเราจะต้องมาเรียนวิธีที่จะทําให้เกิดศีลเรียนวิธีที่จะให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเรียนวิธีที่จะให้เกิดปัญญาที่ถูกต้อง นะถ้าเราเกิดปัญญาที่ถูกต้องแล้วนะเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งปัญญาที่สูงที่สุดมันชื่อว่าอริยสัจอริยสัจข้อแรกเรียกว่าทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจนี่แหละคือรูปกับนามคือขันห้าทุกข์ไม่ใช่ว่าอกหักเป็นทุกขนะ์ตกงานเป็นทุกข์อะไรเนี้ยป่วยไข้เป็นทุกข์เพรนั้นมันตื้นเกินไปนะคําว่าทุกข์ในพระพุทธศาสนาเนี่ย ท่านบอกสังคิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานะพันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนะนี่ยเราจะต้องมาเรียนจนว่าทั่งวันนึงมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเห็นว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ท้าไรที่เราภาวนาจนเราเห็นขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ได้นะจริงๆเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเราก็เลยเพลิดเพลินพอใจ อย่างร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์ล้วนๆเราไม่เคยเห็นเราคิดว่ามันทุกบ้างสุขบ้างถ้ายังหนุ่มยังสาวยังเด็กอยู่ก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่มันมีความสุขถ้าแก่ขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกส่วนมากมันทุกนั่งอยู่ก็ปวดก็เมื่อยนะเดินอยู่ก็ปวดก็เมื่อยนอนอยู่ก็เมื่อยอย่าเงี้ยรวมความแล้วก็คือไม่ว่าจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่นะก็ยังเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างถ้าเด็กก็รู้สึกสุขเยอะหน่อยถ้าแก่มาก รู้สึกทุกข์มากหน่อยแต่มันก็ยังมีทุกขสุขเจอกันอยู่เมื่อเรายังเห็นไม่ได้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายมีแต่ทุกข์ล้วนล้วนเราเห็นว่ามีทุกข์บ้างสุขบ้างเนี่ยความยึดถือในร่างกายจะไม่หมดไปนะมันมีทางเลือกเราก็จะทำยังไงเนาะร่างกายเราจะมีความสุขทำไงร่างกายเราจะไม่ทุกข์มันจะมีคำ ว, ว่าทำเกิดขึ้นทายังไงทำยังไ ง, ง, ไงนะจิตใจมันจะเกิดการดิ้นรนไม่รู้จักเลิกหรอก แต่วันใดที่ปัญญารู้แจ้งแต่งตลอดนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะเกิดอาการที่อัศจรรย์มากอย่างหนึ่งคือจิตมันจะปล่อยวางกายได้กายกับจิตนะต่างคนต่างอยู่เลยไม่เกี่ยวกันเลยร่างกายจะแก่ก็ร่างกายแก่นะไม่ใช่เราแก่ร่างกายจะเจ็บก็เป็นเรื่องของร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายจะตายเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เราตายนะเนี่ยพ้นออกไปได้เลยพ้นจากความรู้สึกของเราออไปได้ สูงกว่านั้นขึ้นไปอีกก็คือการเห็นทุกข์ที่สุดยอดเลยสูงสุดของการเห็นทุกข์ก็คือการเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์พวกเราไม่เคยเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์หรอกนะเราเห็นได้หยับหยาบเห็นได้ว่าจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเราไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดลงไปว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไม่รู้แจ้งแทงตลอดนะมันยังมีทางเลือก ก็ดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นนะก็อยากจะมีความสุขอยากจะพ้นจากทุกข์ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความดิ้นรนทางใจจะเกิดขึ้นความดิ้นรนทางใจเนี่แหละภาษาบาลีเรียกว่าพบพอสัำเพอพอผ่านมีตัณหาหรือมีความอยากขึ้นมาแล้นะะวก็เกิดการสร้างพบคือการดิ้นรนทางใจมีพบขึ้นเมื่อไหร่นะ มันก็มีชาติมีความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกระใจมีตัวกูของกูขึ้นมามีตัวทุกข์ขึ้นมานะทัานทีที่จิตเนี่ยไปหยิบไป่วยเอาขันห้ามาเป็นตัวกูของกูนะก็เท่ากับจิตไปหยิบ่วยเอาตัวทุกข์เข้ามากอดเอาไว้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยถ้าเราพอนาไปอย่างต่องแท้เราจะรู้เหมือนเหมือนงูเหา่าแท้แท่เลย เราไม่รู้ว่าเป็นหูเหูนะเรามันมาโขกมากราดมาดูแลเลี้ยงดูอย่างดีเลยประคบประมวลอย่างดีเลยถึงวันหนึ่งมันทําร้ายเราร่างกายเนี่ยต่อจะดูแลดีวิเศษแค่ไหนถึงวันหนึ่งมันจะแก่ถึงวันหนึ่งมันจะเจ็บถึงวันหนึ่งมันจะตายไม่ว่าจะดูแลดีแค่ไหนประคบประมวลขนาดไหนมันก็แปรปรวนนะมันไม่อยู่ในอำนาจตาวรจิตใจนี้ก็เหมือนกันะประคบประมวลมันเท่าไร่เท่าไรนะหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาป้อนให้มันเท่าไร่เท่าไร มันมีความสุขได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มีความทุกข์ตามเข้ามาบทขยี้อนะีกมีความสุขแป๊บเดียวความทุกข์ก็เข้ามาจัดการทุกข์ทีไปความสุขเนี่ยอยู่ชั่วคราวนะแปบ๊บเดียวเหมือนฝันไปเท่านั้นเองแล้วความทุกข์มันก็เข้ามาแทนเมื่อเราพอนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญารู้แจ้งแทงตลอดแลนะ้จิตนี่แหละเป็นตัวทุกข์ตัวนี้เป็นสุดจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติธรรมนะ ตรงที่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยตรงที่เห็นกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยเห็นได้ก่อนเห็นกายเป็นตัวทุกข์หมดความยึดถือกายนั่นเป็นพระอนาคามีเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยปล่อยจิตได้ไม่ยึดถือจิตได้นี่ญญเป็นพระอรหันต์นะการปฏิบัติเนี่ยอัศจรรย์มากเลยพวกเรายังไม่สามารถปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้แต่บางคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยสามารถปล่อยวางอารมณ์ได้ เวลาความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายผ่านเข้ามาในใจนเราจะเห็นเลยจิตเนี่ยที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาพอนะจะโดดตะครุบอารมณ์ไว้เข้าไปจับตัวอารมณ์แต่ถ้ามันมีสติสมาธิปัญญาพอนะมันจะคลายจากการจับอารมณนะ์ปล่อยอารมณ์ได้เนี่ยพวกเราที่ฝึกกันมานะฝึกมาได้ถึงจุดนี้กันเป็นส่วนมากฝึกถึงจุดที่ว่ามันปล่อยความยึดถืออารมณ์ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ปล่อยความยึดถือกายและใจนะ เพราะอะไรเราปัญญาเรายังไม่พอเรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้แหละเบื้องต้นต้องหาทางนะต้องรู้วิธีที่จะรักษาศีลศีลเป็นบาดเป็นฐานทําให้เราเกิดสมาธิที่ดีแล้วเรื่องเบื้องกลางก็ต้องรู้วิธีฝึกให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องสมาธิมีหลายแบบ ไม่ใช่นั่งสมาธิหลับหูหลับตาไปเรื่อยแล้วบอกว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาส่วนใหญ่ทำมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิก็ได้สมาธิถูกต้องแล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วถึงขั้นจเจริญปัญญาเราต้องรู้วิธีที่จะเห็นความจริงของกายต้องรู้วิธีที่จะเห็นความจริงของจิตใจวิธีรู้ความจริงของกายมันก็เป็นแบบหนึ่งวิธีรู้ความจริงของจิตใจเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกัน ร่างกายเนี่ยเราสามารถดูลงในปัจจุบันได้เรียกว่าปัจจุบันขณะนะขณะนี้เลยเราเห็นรูปที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างเนี้ยแลเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะจะจงใจเคลื่อนไหวหรือไม่จงใจเคลื่อนไหวก็ตามเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะแยกออกไปอยู่ต่างหากนะส่วนตัวจิตนจะจะเห็นยากหน่อยนะบางคนแต่บางคนถนัดดูจิตดูใจก็ดูง่ายไม่ยากอะไรทางใครทางมันนะ เบื้องต้นจะดูกายก่อนก็ได้จะดูจิตก่อนก็ได้แต่สุดท้ายนะสติสมาธิปัญญากแก่รอบขึ้นมาจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตจะไม่มีสายไหนเลยสายโน้นสายนี้เป็นเรื่องหลอกๆนะนั้นเรื่องที่หลวงพ่อจะพูดให้พวกเราฟังนะจะอยู่ในเรื่องของคมว่าไตรสิกขานี่เองวิธีที่จะทาให้เกิดศีลที่ถูกต้องวิธีที่จะฝึกจิต ให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีที่จะเจริญปัญญาคือการเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของใจนะในเรื่องที่เราจะคุยกันมีเท่านี้แหละเนื้อหาสาระที่เราจะลงมือปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะแม่ว่าจะพูดให้พลิกแปลงไปแค่ไหนสุดท้ายย่อลงมาก็เหลืออยู่เท่านี้แหละอันแรกเลยคือเรื่องของศีลพราะเราบางคนไม่รู้จัก นะชีวศีนเนี่ยไปขอมาจากพระถึงเวลาก็ไปท่องหน้าพระนะเม่ยังพันเตวิสูงวิสูงลักกณนนัตถายะนึกว่ามีศีลไอ้นัน่นการไปขอศีลกับพระมันแค่เป็นการปฏิญาณตัวเป็นการหาพยานมายืนยันว่าต่อไปนี้เราจะรักษาศีล น, นะรักษาศีล น, นะตั้งใจรักษาเอาเองก็ได้นะนึกเอานะพระตื่นนอนขึ้นมาก็นึกเลยวันนี้เราจะรักษาศีลห้า ก่อนจะกินข้าวของวันก็ตั้งใจว่าเวลาที่เหลืออยู่นี่เราก็จะรักษาศีลหก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจว่าเรารักษาศีลห้านะก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกทําไมต้องตั้งใจเวลายหลายๆๆครั้งสติพวกเรายังไม่สมบูรณ์คอยเตือนตัวเองไว้บ่อยๆว่าเราจะต้องรักษาศีล น, นะเวลาจะทําผิดศีลจะได้ละอายใจในการที่ต้องไปบอกกับพร ะ, พระไปขอกับพร ะ, พระนะเพ่ให้พระเป็นพยานเท่านั้นแนหะเวลาเราจะทําผิดศีลเราจะได้อายพระบ้าง เราไม่มีพระจะไปขอเราไม่ลงไปขอกับพระหรอกนะเรารักษาเอาเองแต่การรักษาศีลเนี่ยลําบากถ้าเราไม่มีสติแปบ๊บเดียวมันก็ขาดศีลลนะศีลขาดโดยเฉพาะข้อสี่ขาดง่ายพูดเพอ้อเจ้อไปแล้วเนยะพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดเนี่ยศีลดังพลอยลนะะพูดคําหยาบพูดส่อเสียดพูดเทนนะ็จในเนี่ยผิดง่ายที่สุดเลย บาทีพูดกันแหนกแหน่ น, นี่ศีนก็ดังพลอยแล้วการรักษาศีลที่ปากที่มือที่เท้าเนี่ยรักษายากถ้าเรามีสติรักษาจิตนะเราจะรักษาศีนง่ายมีสติรักษาจิตก็คือเราคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจเรานะเราคอยรู้ทันรู้จักความโกรธไหมใครโกรธเป็นบ้างในห้องนี้ใครเคยโกรธยกมือให้ดูซิโกรธทุกคนเลยนะยกให้นคนที่นั่งหลับ นั่งเรือบินนั่งรถมาไกลว่าจะถึงนี้หลับไปหลวงพ่อมาตั้งใจฟังเทศเรหลับไปซะแล้วนะฟังไม่รู้เรื่องนะความโกรธพวกเราก็รู้จักรลภรู้จักไหมโลภนะฟุ้งซ่านรู้จักไหมฟุ้งซ่านหดหูรู้จักไหมหดหูเศร้าเศ้าซึมซึมหมองหมองนะดูอะไรไม่รู้เรื่องนม่กิเลสทุกอย่างเรารู้จักนะยิ่งคนไทยนะ หลวงพ่อเคยรวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกในใจเนี่ยทั้ง200กว่าคํามีทั้ง200กว่าคํานะคําว่าเซงิงเซิงกับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นไหมไม่เหมือนกันเนี่ยพวกกิเลส ท, ทั้งนั้นเลยเซิงก็เป็นกิเลสตระกูลโทสะนะเบื่อก็โทสะนะอิจฉาก็โทสะนะตโกรธก็โทสะนะเนี่ยกิเลสมีเยอะแยะเลยนะนาน า, นานชนิดเลยอิจฉาพยาบาทพยาบาทเนี่ยก็โทสะนะ โลภยึดถือในความคิดความเห็นเจ้าทิฏฐินี่ส่วนของโลภะนะอยากโน่อนอยากนี่ส่วนของโลภะนะฟุ้งซ่านส่วนของโมหะกิเลสมันมี3ามตัวหลักๆนะแต่ละตัวนี่มีลูกมีหลานเยอะแยะเลยแต่ว่าพวกเรารู้จักทุกตัวแล้วนะรู้จักเสิงั้ยรู้จักใช่ไหม เ, เกลียดรู้จักไหมเกลียดกับกลัวเหมือนกันหม เกลดมันก็อย่างหนึ่งใช่ไหมกลัวมันก็อย่างหนึ่งขยะขยะแขงเนี่ย ใ, ใจไม่มีเยอะนะส่วนใหญ่ตระกูลโทสะนี่แหละเยอะมากเลยคนไทยเราเก่งนะเราแยกแยะสับพวกนี้ออกมาได้เยอะมากเลยมันแสดงความประนีตในการเรียนรู้จิตของตนเองของบรรพบุรุษนะประณีตมากเลยเรามีสับพวกนี้ตั้งหลายร้อยคาำนะ พวกเรารู้จักอยู่แล้วกิเลสทุกๆชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้วเพียงแต่เราล้าเลยมันเวลาที่มันเกิดขึ้นต่อไปนี้เราจะไม่ล้าเลยนะโกรธขึ้นมาให้รู้ว่ากําลังโกรธอยู่โลภขึ้นมาให้รู้ว่ากําลังโลภอยู่นะฟุ้งซ่านให้รู้ว่ากําลังฟุง้งซ่านลังเลสงสัยรู้ว่าลังเลสงสัยให้หัดรู้บ่อยๆถ้าเมื่อไหร่กิเลสเกิดแล้วเรามีสติรู้ทันนะกิเลสจะดับอัตโนมัติ นี่เป็นกฎของธรรมะนะที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสนะเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นเราไม่ต้องไปล้างกิเลสเลยหรอกเอว่ากิเลสเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันฝึกให้มากนะแล้วศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติการรักษาศีลจะเป็นเรื่องง่ายมากเลยศีลเราทําผิดศีลได้เนี่ยเพราะว่ากิเลสครอบงําจิต อย่างเรามีความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ไปทําร้ายคนอื่นก็ได้ไปช่วงชิงทรัพย์สินเขาก็ได้ไปแกล้งผิดรูปผิดเมียเขาก็ได้นะไปพูดว้าว่าร้ายให้เขาก็ได้หรือไปแกล้งยกย่องให้มันเสียคนไปเลยก็ได้เนี่ยทําผิดศีลได้ทุกข้อเลยหรือเวลามีความโกรธมีเศร้าหมองขึ้นมานะเราไปกินเหล้าเมาอยานะ่างไหมมีโทสะตัวเดียวนะทำผิดศีลได้ทั้ง5้าข้อทํานองเดียวกันถ้ามีโลภะมีราคะตัวเดียวก็ทําผิดศีลได้ทั้ง5้าข้อเหมือนกันนะ มีโมหะก็ทําผิดศีลได้ทั้ง5ข้ออย่างมีโลภะเนี่ยโลภเพื่อนมาใช่ไหมเพื่อทำร้ายคนอื่นก็ได้เพื่อจะช่วงชิงผลประโยชน์นะมนุษย์นี่ร้ายนะสัตว์เนี่ยทำร้ายกันต่อเมื่อแย่งตัวเมียกับแย่งอาหารนะมนุษย์เนี่ยทำร้ายกันตลอดเวลาเลยนะโหดร้ายมากเลยยิ่งกว่าสัตว์ธรรมดาสินะความเห็นต่างกันก็ทําร้ายกันนะความเห็นอุดมการณ์ต่างกันก็นกทําร้ายกัน อันนี้คือความยึดมั่นในความคิดความเห็นเรียกว่าทิฏฐิก็เป็นตะกูลโลภะนะมีความเห็นต่างกันก็ทำร้ายกันนะหรือโลบสมบัติของคนอื่นก็ไปช่วงชิงเขาหรือไปผิดลูกผิดเมียเขาหรือไปพูดจาล่อหลวงเขานะหรือจิตใจมีราคาขึ้นมากรดีก็ะดาลืมเนื้อลืมตัวนะไปกินเหล้าเมายาคนไทยเนี่ยชอบมากเลยมีโทสะหรือเศร้าหมองก็ไปกินเหล้า ดีใจมีราคะขึ้นมาเพราะไปกินเหล้านะชอบชอบจริงๆเลยนะฉลองตลอดนะนะกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะผิดศีลห้าได้ตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าเรามีสตินะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจเรารู้ทันกิเลสมันจะกระเด็นออกไปจากใจของเราอัตโนมัตินะไม่ผิดศีลหรอกเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะรักษาศีลที่ง่ายที่สุดเลยไม่ลาบากอีกต่อไปถามว่าเราจะรักษาไปทําไมอย่างเรื่องศีลเนี่ยฝรั่งเขาไม่ค่อยเข้าใจหรอก เพราะมันเป็นเรื่องความประณีตทางใจนะคนที่รักษาศีลได้ดีจิตมีศีลได้ดีเนี่ยสมาธิจะเกิดง่ายจะมีสมาธิขึ้นมาได้โดยง่ายเลยถ้าไม่มีศีล น, นีใจจะฟุ้งซ่านอย่างคนที่คิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาคิดจะลักขโมยเขาเนี่ยจิตจะสงบไหมนั่นจะไม่สงบนะคนที่คิดทําร้ายคนอื่นกับคนที่มีความเมตตาคนอื่นเนี่ยคนมีความเมตตามีความสุขมีความสงบ คนที่คิดร้ายกับคนอื่นไม่มีความสุขไม่มีความสงบคนที่จะแย่งชิงผลประโยชน์คนอื่นกับคนที่เสียสละให้คนอื่นได้นะคนที่รู้จักเสียสละนะมีความสุขนะจิตใจร่มเย็นเป็นสุขคนที่ซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของตัวเองจิตใจร่มเย็นเป็นสุขนะคนที่คิดนอกใจคู่ของตัวเองจิตใจไม่ร่มเย็นเป็นสุขคนโกหกตลบตะ แ, แลงกับคนมีศัจรูคนมีสัจรูจิตใจ onta, ยังมีความสงบสุข ศีลเนี่ยมันทําให้จิตใจของเราสงบสุขมันเป็นฐานเพื่อจะต่อยอดขึ้นไปสู่คำว่าสมาธิเพรฉพวกเราตั้งใจนะคอยมีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันการที่กิเลสเกิดขึ้นที่จิตแล้วคอยรู้ทันเนี่ยไม่ใช่ได้แต่ศีลนะเป็นวิธีปฏิบัติที่สุดยอดอย่างหนึ่งเลยถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันเนี่ยได้ครบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเลยนะ เป็นเ่ออัศจรรย์มากเลยนั้นการที่เราคอยมีสติรู้ทันจิตเนี่ยได้หมดทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาบริบูรณ์นั้นมาวิมุตติก็เกิดขึ้นการบรรลุมรรคผลก็จะเกิดขึ้นจิตจะหลุดพ้นออกจากการยึดถือการยึดถือใจได้นะี่วิธีทําให้มีสมาธนะสิสมาธิมีสองอย่างใหญ่ๆนะสมาธิที่ถูกนะมี2ออย่างใหญ่ๆสมาธิที่ผิดเนี่ยเยอะแย ะ, ยะเลย สมาธิที่ผิดเช่นนั่งนั่งไปแล้วก็เคลิมลืมเนื้อลืมตัวเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพูดผีปีศาจใส่ออกแปข้งนอกน่ะสมาธิที่ส่งออกไปข้างนอกนะเห็นแต่สิ่งอื่นๆยกเว้นตัวเองนะหรือว่าเคลิมลืมเนื้อลืมตัวขาดสติสมาธิใดที่ขาดสติต้องรู้นะว่าเป็นมิจฉาสมาธิแน่นอนต้องมีสติต้องรู้เนื้อรู้ตัวตลอดสายจะทั่งเวลาเข้าฌานนะจะทั้งโลกธาตุดับเลยร่างกายหายไปโลกหายไปนะ จิตไม่ขาดสตินะจิตตั้งมั่นเด่นดวงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเลยอย่างนี้ถึงจะเป็นสมาธิที่ดีถ้าสมาธิใดขาดสติเป็นสมาธิที่เลวทันทีเลยเพราะเมื่อไรไม่มีสติเมื น, นั้นไม่ใช่กุศลละนะนี่สมาธิที่ดียังมีสองอันสมาธิที่ดีอันแรกเนี่ยเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อความสงบของจิตเพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อความดีของจิต อันนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นสมาธิที่ใช้ทําสมถกรรมฐานสมาธิอย่างที่สองจะสมาธิที่ดีอย่างที่สองเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพวกเราชาวพุทธเราได้ยินชื่อว่าเป็นศาสนาพุทธรู้ไหมพุทธะคืออะไรพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตของเราเนั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน งั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละเรียกว่าเป็นจิตที่มีสมาธิที่ดีนะประเภทที่2เอาไว้ทําอะไรเอาไว้เจริญปัญญานะถ้าไม่เจริญปัญญาไม่บรรลุมรรคผลนะทำสมาธิแบบสงบไปเรื่อยเืย่นั่งสมาธิกี่สิปีก็ไม่บรรลุมรรคผลหรอกนี่หลวงพ่อพูดเต็มปากเต็มคําเลยเพราะอะไรหลวงพ่อนั่งสมาธิมาตั้งแต่เจดขวบ นับมาถึงวันนี้นะ53ปีถึห้าสิบปีแล้วนะนั่งสมาธิแบบนั้นตั้งแต่เด็กๆนั่งอยู่อย่างนั้นนะ2ปีนะทำความสงบเฉยเดินปัญญาไม่เป็นหรอกแล้วไม่รู้ว่าสมาธิมี2ชนิดยแต่ตอนที่ปฏิบัตินะหัดใหม่ๆไปเรียนกับท่านพ่อหลีตอนนั้นยังเด็กเก็ดขวบเองพ่อพาไปหาท่านพ่อหลีท่านก็สอนให้นั่งสมาธิ หายใจเข้าพูทธหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูทธหายใจออกโ ท, น, น, ท, ออกโทนับสองนท่านสอนอย่างนี้หลวงพ่อก็กลับมาทําที่บ้านนะหายใจแล้วก็นับไปเรื่อยเลยปกติท่านให้นับถึง10แล้วก็ลงมา9ก้าแปดเจดหห้าแบบปล่อยจรวดนะเราเด็กเรานับย้อนหลังไม่เป็นนะ่ะนับเราเหนื่อยคิดมากหลวงพ่อให้นับ 1- ถึงร้อไปเลยนะนี่มีการแอพพลายด้วยนะเอาให้เหมาะที่เราจะทําได้จริงๆ หายใจก็นับไปเรื่อยได้ถึงร้อยแล้วก็มานับหนึ่งใหม่หายใจไปหายใจมานะมันเป็นเด็กอะ่ะมันไม่มีมาญญาันยาไม่ได้มีความโลภครูบาอาจารย์บอกให้หายใจไปบริกรรมไปมีสตินั่นแหละก็ทำไปเรื่อยๆทำดุยดุยไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนะนั่งอยู่ประมาณไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะหลวงพ่อพจำจำนวนวันได้ไม่ชัดแล้วเพราะว่ามันต้องห้ากว่าปีมาแล้วนั่งอยู่ไม่นาน นะลมหายใจนี่ค่อยประณีตละเอียดละเอียดเข้าไปนะจนเราเหมือนกับว่ามันตื้นขึ้นเรื่อยๆทีแรกเราหายใจนะลมไหลลงไปถึงท้องนะพอจิตค่อยๆสงบเนี่ยลมมันตื้นๆมาอยู่ที่ปลายจมูกแล้วลมก็หยุดลมหายใจหยุดเนี่ยนะลมหายใจแปลสภาพเป็นแสงสว่างเป็นดวงสว่างขึ้นมาพอเป็นดวงสว่างขึ้นมาเราไปต่อไม่เป็นอีกเราไปดูที่ดวงนี้นะดวงนี้มันเคลื่อนออกไปคราวนี้อยากไปเล่นอะไรนะจีด อ, อกข้างนอกไปเลยนะ อยากไปเที่ยวสวรรค์เที่ยว อ, อะไรนะจิตไหลๆๆออกไปมันไหลไปได้นะแต่ว่าจะไปเห็นโน้นเห็นนี่เห็นเทวดาเนะี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือว่าจิตมันหลอนเอาจิตมันหลอกเอาดูไม่ออกหรอกว่ามันหลอกหรือเปล่าเวลานิมิตเกิดขึ้นแนละ้วมันเหมือนของจริงจริงๆนะสัมผัสได้ตามองเห็นก็เหมือนเห็นจริงๆเลยหูได้ยินเสียงก็เหมือนได้ยินจริงๆนะสัมผัสได้จริงๆดอกไม้ก็หอมหอมจริงๆเลยทุกอย่างดูสวยงามจริงๆไปหมด เนื้อใจพอนั่งสมาธิที่รายใจก็จะออกไปเที่ยวข้างนอกแบบนี้ทุกทีเลยจนวันหนึ่งเกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่าถ้าออกไปแล้วเจอเทวดาเนี่ยไม่กลัวนะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายได้แต่ว่าไม่ยอมเอาขนมให้เรากินเลยนะ เ, เขาบอกบุญใครก็บุญมันนะของเขาเขาให้เราไม่ได้เนะเป็นมนุษย์ยังทำทานได้นะเป็นเทพไม่รู้จะทยังไงนะก็อเอามาส่งให้เราเราจับแล้ก็สลายเลยเราไม่มีบุญของเราตัวนี้ แล้วถ้าไปเจอเทวดาไม่กลัวแต่ถ้าเจอผีคงจะกลัวชิดอย่างนี้กลัวผีนะหลวงพ่อพวกเราคนไหนกลัวผีบ้างยกมือสิพวกที่กลัวผีคนไหนเจอผีบ้างมีคนเดียวสองคนเลยไม่รู้ด้วยว่าผีจริงหรือผีปลอมผีอาจจะผีปลุงขึ้นมาเองก็ได้คนที่กลัวผีนะไม่ค่อยเจอผีหรอกแล้วเวลาที่เจอผีเนี่ยจะไม่กลัวผีนะมีวิธีนะ อยากเจอไหมไม่อยากกลัวบางคนกลัวแต่อยากเจอนะพอพูดเรื่องผีแล้วสดชื่นหรือนะพูดธรรมะล้วนๆแล้วก็ชักง่วงๆนะคนไม่คนคนที่จะไปเห็นผีเนี่ยนะฉิตมีสมาธิขณะที่มีสมาธิแล้วไปเห็นเนี่ยจะไม่กลัวนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกที่กลัวเนี่ยกลัวตอนที่ไม่เห็นตอนที่เห็นไม่กลัวจาไว้นะเพราะฉนั้นไม่ต้องกลัวหรอก เป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่ตอนเด็กๆหลวงพ่กลัวกลัวจะเห็นนะเห็นไห้ยังไม่ทันเห็นกลัวจะเห็นเลยกลัวนะเพราะกลัวว่าจิตจะออกไปข้างนอกแล้วไปเห็นผีนะกลัวไม่กล้าออกพอจิตจะเคลิมจะไหลออกเนี้ยรีบมีสติรู้ทันจิตที่จะเคลื่อนเลยพอรู้ทันจิตที่จะเคลื่อนจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอีกนะไม่เคลื่อนออกไปนะจิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นลําดับลําดับไปนะจริงร่างกายก็หายไปอะไรไปโรคหายไปเลย เหลือตัวรู้เด่นดวงอยู่แปลว่าทำต่อไม่เป็นละหยุดอยู่แค่นั้นเองผ่านไปย2สบปีนะที่ฝึกทำความสงบขึ้นมาวันนี้ฟุ้งซ่านก็ไปทำใหม่สงบขึ้นมาอีกวันหนึ่งก็ฟุ้งอีกแล้วก็ทาอีกนะั้นตลอดเวลาที่ผ่านไปนะมีแต่สงบกับฟุ้งซ่านไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยในการทำสมาธิเพื่อให้ความสงบเกิดขึ้นนะเอาไว้พักผ่อนเท่านั้นแหละ นะหรืออาไว้เที่ยวเล่นข้างนอกเอาไว้แสดงอิทิฤิตเลยต่างๆไปงั้นไม่มีสาระแก่นสารนะเพื่อการพนทุกข์เลยแต่ก็มีข้อดีที่จิตได้พักผ่อนมีเรื่องมีแรงงั้นพระพุทธเจ้าถึงไม่ปฏิเสธสมถกรรมฐานถ้าทําได้ก็ทำทำไปเพื่อเพื่อให้จิตได้พักผ่อนนะแต่ ว, ว่าสมาธิอีกชนิดหนึ่งต่างหากที่สําคัญมากนะสมาธิอย่างนี้อาภัพมากเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยแทบไม่มีคนรู้จักเลย แค่ไม่มีคนรู้จักเลยอย่างหลวงพอเคยสอนเพื่อนอยู่สิบคนนั่งรถตู้ไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันนะั้นเพรา้าววัดบางองค์จิตไหวนะหันกลับเลยนะอุทานเลยว่าไปรวมตัวกันมาได้มากขนาดนี้สิบคนเนะี้ถ้าว่ามากมหาศาลแล้วนะที่ว่ารู้สึกตัวเป็นนะนะจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยนะเมื่อแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวมีแต่นั่งสมาธิแล้วก็เคลิม้มเคลิ้มไปเรื่อยนะเจอทั้งเกิด กลุ่มหนึ่งขึ้นมาต่อต้า น, นรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วเคลิมไม่ถูกต้องก็เลยไม่นั่งเลยก็มีปฏิเสธการทำสมาธิไปเลยก็มีสุดโตกไปอีกข้างหนึ่งเจริญปัญญารวดไปเลยอย่างบางทีไปตั้งสานักกรรมฐานนะสานักวิปัสสนากรรมฐานพอรับสีลห้าเสร็จแล้วก็ให้กำหนดโ น, น้นกำหนดนี่ไปเรื่อยกหนดรูปกำหนดนามไปเรื่อยนะ ยังไม่ได้ฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องนั่นทไม่ได้จริงทำวิปัสสนาไม่ได้จริงเป็นแต่ชื่อเท่านั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่มีหรอกเมื่อ30ปีก่อนนะระเวณไปทั่วเลยไปดูสำนักโน้นสำนักนี้นะพบเลยว่าไม่ค่อยมีใครที่รู้สึกตัวหายากที่สุดที่คนจะรู้สึกตัวขึ้นมามีแต่คนลง ทำกรรมฐานก็หลงทำกรรมฐานนั่งสมาธิก็นั่งด้วยความหลงมีแต่คําว่าหลงทั้งนั้นเลยนะไม่มีคนรู้สึกตัวไอ้เราก็รู้สึกตัวฝึกมาได้รู้สึกหันไปทางไหน ม, มีแต่คนหลงหน้าในโลกนี้ไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวมีครูบาอาจารย์บางองค์รู้สึกตัวเป็นแต่ในวัดท่านบางทีก็ไม่มีสักคนเลยที่รู้สึกตัวได้อย่างท่านนะหายากที่สุดเลยหลวงพ่อเวลาออกมาบวชนี่มาสอน เรื่องจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสอนเยอะเลยจิตที่ไม่เผลอจิตที่ไม่เพ่งนะเรื่องต้นจะสอนเรื่องพวกนี้เดียวถ้าถ้ า, ถาจิตที่เผลอไปเนี่ยไม่รู้สึกตัวมันลืมตัวจิตที่เพ่งไว้เนี่ยรู้สึกตัวได้นะแต่รู้สึกแบบเครียดเครียดแข็งแขงนะเั้นถ้าไม่เผลอไม่เพ่งนะก็จะเป็นจิตที่รู้สึกตัวได้พอดีพอดีวิธีฝึกให้ได้จิตชนิดนี้เนี่ยไม่ถึงขนาดที่ต้องเข้าฌานให้ได้ทุกคนหรอกพวกเราส่วนใหญ่เข้าฌานไม่ได้เราก็ใช้วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะ เบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทำอะไรก็ได้ที่เราถนัดถนัดพุดโทโธเราก็ใช้พุโทโธถนัดรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจถนัดดูท้องของยุบเราก็ดูท้องของยุบถนัดเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรมกรรมฐานอะไรก็ได้นะทำขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบอยู่กับกรรมฐานอันนั้น ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปนะอย่างเราพุโทโธพุโทโธบาที่จิตก็หนีไปคิดล้วก็รู้ทันโนเสหลไปละตรงที่รู้ทันว่าจิตเสหลไปจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัตินะเราจะได้จิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยชั่วขณะอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิจะเกิดคณิกะสมาธิที่ถูกต้องขึ้นชั่วขณะเท่านะั้นเดี๋ยวก็ไหลใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่นะ ไม่ชาบพุทธโธก็รู้ลมหายใจแต่รู้ลมหายใจไม่ใช่เพื่อให้จิตไปสงบอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนเข้าไปเกาะที่ลมหายใจรู้ทนันสรุปก็คือทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะเคลื่อนไปในสองลักษณะนะส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไปคิดก็เคลื่อนไปเพ่งนะ เป็นตัวสองตัวนี้มีมากที่สุดเลยส่วนเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังอะไรเวลาเราทำในรูปแบบนี้ไม่ค่อยมีนะมันจะมีเคลื่อนไปคิดเนี่ยเป็นตัวหลักเลยแล้วก็เคลื่อนไปเพ่งดูท้องพองยบจิตก็หนีไปคิดบ้างจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องบ้างตรงที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัตินะเห็นไมว่าเราใช้วิธีที่มีสติรู้ทันจิตตัวเองนั่นแหละนะ อย่างตอนจะมีศีล น, นะเรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นรู้ทันกิเลสกิเลสดับศีลอัตโนมัติจะเกิดเรามีสติรู้ทานจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะหยุดการเคลื่อนแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยเคลื่อนไปด้วยอํานาจของกิเลสทั้งสิ้นเลยอำนาจของอันแรกมีความหลงอยู่นะอันต่อมาก็มีความโลภอยากหิวอารมณ์ คิดว่ารมอยากจะไปดูอยากไปฟังอยากไปคิดอยากปฏิบัติมันมีความอยากแทรกเข้ามาตัวนี้เป็นตัวโลภนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตจิตมีความโลภขึ้นมาแล้วอยากจะไปดูหรืออยากจะไปคิดรู้ทันนะมันจะไม่ไปดูมันจะไม่ไปคิดถ้าดูไม่ทันมันก็ไปคิดหรือมันไปดูต อ, อนที่มันไปคิดแล้วรู้ว่าไปคิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปตอนที่จิตเคลื่อนเนี่ยเรียกว่าอุทธัจจจิตฟุ้งซ่านเป็นโมหะ ตรนที่จิตเคลื่อนเนี่ยเป็นโมหะคือจิตมันเคลื่อนไปแต่แรงขับให้เคลื่อนเนี่ยคือตัวตันหานะซ่อนอยู่อีกทงถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติตามกฎของธรรมะที่ว่าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเห็นไหมการที่เรามีสติรู้ทันจิตนะนอกจากจะได้ศีลแล้วเราจะได้สมาธิขึ้นมาด้วยแค่รู้ทันว่าจิตไหลไปรู้ทันว่าจิตไหลไป จะได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมาถ้ารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นมาจะได้ศีลอัตโนมัติขึ้นมาการที่เรามีสติรู้ทันจิตของเราเนี่ยถึงได้ดีมากเลยเป็นวิธีปฏิบัติที่รวบย่อเลยนะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิและต่อขึ้นถึงปัญญาได้ด้วยน ะ, จะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูใจเนี่ยดูรวดต่อไปได้เลยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านทําความสงบแล้วท่านดูกายนะมีน้อยองค์ ที่ว่าก้าวกระโดดมาดูจิตเลยนะอย่างหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลไปลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์เกือบทั้งหมดของหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นจะสอนพุทโธพุทโธพอจิตสงบแล้วเนี่ยออกจากความสงบเนี่ยท่านให้มาดูกายแต่ท่านสอนหลวงปู่ดุลหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลให้ดูจิตท่านบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยง สเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายบังคับไม่ได้เนี่ยสอนให้ดูตัวนี้เลยนี่คือการดูจิตดูใจให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะฝึกให้ได้ตามลําดับนะคอยรู้ทันกิเลสเกิดรู้ทันรู้ทันนะเราจะได้ศีลเราเวลาเราต้องการความสงบนะเราก็รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านใจก็จะสงบใจก็จะตั้งมั่นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ไม่ใช่แค่น้อมจิตไปอยู่นิ่งๆในอารมณ์มันเดียวถ้าน้อมจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวจะได้สมถะเฉยๆแต่ถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจะได้ทั้งความสงบจะได้ทั้งความตั้งมัน่นสงบกับตั้งมั่นไม่เหมือนกันนะสงบเนี่ยหมายแค่ไม่ฟุ้งซ่านไปนะตั้งมั่นเนี่ยนะคือจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาไ ท, ทยนะคำว่าสมาธิแท้ๆเลยนะมันตรงกับคําว่าสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ลืมเนื้อลืมตัวพวกเราลืมตัวเองบ่อยไหมไม่เราลืมตัวเองแทบทั้งวันใช่มตื่นขึ้นมาคิดถึงอะไรคิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงคนอื่นใช่ไหมร่างกายนอนอยู่ท่าไหนไม่รู้ใครรู้ตัวบ้างว่าตอนตื่นหายใจออกหรือหายใจเข้ามีไหมยกมือให้ชื่นชมไม่มีเลยหร อ, อ, อมีนะเอาคนที่เห็นผีหรือเปล่าใช่ไหมเออไม่เห็นอย่างนี้ดีเออเห็นตัวเองดีนะ เนี่ยตื่นนอนมาหายใจท่าไหนก็ไม่รู้นะอย่าว่าแต่จะหายใจออกหายใจเข้าเลยนอนอยู่ท่าไหนยังไม่รู้เลยนะตอนตื่นใช่ไหมบิดไปบิดมายังไม่รู้เลยเนระิืมตัวเองตลอดเลยน้อยคนนะที่จะรู้สึกตัวได้ต้องฝึกต้องค่อยค่ฝึกค่อยฝึกสติไปเรื่อยนะจนหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวนะยืนเดินนั่งนอนก็ MC รู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ลืมเนื้อลืมตัวเราลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันเลยนะ คิดไปนอนคิดไปนี้ตลอดเวลาลืมตัวเองพยายามมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตลืมตัวเองไปเราก็รู้จิตลืมตัวเองไปเราก็รู้จิตที่ลืมตัวเองได้ก็มี2องยันนั่นแหละเผลอไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วลืมตัวเองนะหรือเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นลิ้มรสเผลอไปรู้สัมผัสทางกายเผลอไปคิดนึกทางใจนะคือจิตเผลอไปหาอารมณ์ภายนอกนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่นะจะเผลอไปทางใจหรือเผลอไปคิดนี่บ่อยที่สุด เผลอไปทางตาเผลอไปดูเนี่ยหลองลองมาเผลอทางหูก็หลองหลองลองไปอีกนะส่วนใหญ่เผลอทางใจอีกเผลอคิดอีกอันหนึ่งก็คือพอคิดถึงการปฏิบัติก็เข้าไปเพ่งเลยแล้วนะไม่เผลอไปก็เพ่งไว้ถ้าเผลอไปเนี่ยก็พักอยู่นะจมลงนะถ้าเพ่งอยู่ก็คือเคร่งเครียดนะมีความเพียรอยู่หนักเกินไปจนะล อ, อยขึ้นอย่างมากก็ไปเป็นเทวดาเป็นฟลมไม่นิพพานนะ นี่เราต้องมาฝึกนะมีสติคอยรู้ทานกิเลสที่เกิดที่จิตมีสติคอยรู้ทานจิตที่ไหลไปไหลามานะี่จะได้ศีลได้สมาธิขึ้นมาพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยถึงจะถึงขั้นเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญานี่ก็คือพอเรามีใจที่รู้สึกตัวอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกบางคนที่เคยมีบุญบา ร, รมีเก่ามาแล้วเคยเจริญปัญญามาแล้ว ทันทีที่จิตรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมานะจิตใจอยู่กับเนกับตัวมีสมาธิขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเห็นทันทีเลยว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึง่งนะถ้าค น, น, นมีบุญมาแล้วเค ย, ยเจริญปัญญามาแล้วเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวอยู่จิตเป็นคนดูหรือเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายใ น, ในใจนะอยู่อีกส่วนหนึ่งนะจิตเป็นคนดู หร <ket> ือเห็นว่ากิเลสทั้งหลายโรคลดลงทั้งหลายอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูคือมันมีจิตที่เป็นคนดูจิตที่เป็นคนดูนี่เราได้มาจากการฝึกตรงที่รู้ทันจิตที่ไหลนั่นแหละถ้าจิตไหลไปเรารู้ไหลไปรู้เราจะได้จิตที่เป็นคนดูที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอนะจิตที่เป็นคนดูตัวนี้สำคัญนะถ้าพวกเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวนะ มีแต่จิตที่ลืมเนื้อลืมตัวเราไม่สามารถเจริญวิปัสนาไม่สามารถเจริญปัญญาเพราะอะไรเวลาที่เราลืมตัวเองเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมเมื่อเราลืมกายเมื่อไรลืมลืมใจแล้วเนี่ยเราจะไปเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เลยเพราะเราต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆรู้สึกแล้วต้องไม่เข้าไปแทรกแซงกายและใจ แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเราถึงจะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นแล้วก็เข้าไปแทรกแซงเช่นเวลามีความสุขเกิดขึ้นเราพอใจล้วก็ไปรักษาความสุข เวลามีความสงบเกิดขึ้นเราพอใจพยายามรักษาจิตให้สงบตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าแทกแสงหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นมีกิเลสเกิดขึ้นหาทางให้หายหาทางแก้ไขบางวันจิตใจฟุ้งซ่านพวกเราเคยเป็นไหมทำสมาธิว่าบางวันจิตใจฟุ้งซ่านพอจิตใจฟุ้งซ่านเราก็คิดว่าทำอย่างไรจะหายฟุ้งซ่านนี่แทรกแสงแล้วถ้าหลักของการปฏิบัติก็คือจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะไม่ใช่ว่าจิตมีราคะก็ไม่ได้จะต้องแทรกแสงไม่ให้มีราคะพอมีราคาแล้วก็แทรกแสงให้หายอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาจะเป็นเรื่องของสมถะจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สงบทําให้สงบอันนั้นสมถะกรรมฐานถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะใช้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนเลยดูกราฟิกสูตรทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะให้รู้นะ ให้รู้ว่ามันมีไม่เข้าไปแทรกแซงดุกรภิกสุทั้งหลายจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะดุกรภิกสุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะดุกรภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดุกรภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน จิตจิตหดหู่ให้รู้ว่าหดหูนี่คือจิตมันเป็นยังไงให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างที่มันเป็นนะนี่หลักของการเดินปัญญานะรู้ตามความเป็นจริงเพราะรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้เลยว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือ พรใครกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการปฏิบัติธรรมจบแล้วคือเรียนหนังสือเรียนธรรมะจบแล้วกิจนะที่ต้องทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะล้างกิเลสแล้วก็ล้างเลยไม่ต้องล้างอีกแล้วไม่มีอะไรจะล้างอีกแล้วเนี่อาศัยตรงที่เริ่มต้นมาจากการรู้ตามความเป็นจริงนี่แหละ เราจะรู้ตามความเป็นจริงได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ขั้นแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจถ้าเม่อไรลืมกายลืมใจหรือว่าไม่มีสมาธิถ้ารู้สึกกายรู้สึกใจไม่ลืมอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็เรียกว่าไม่ลืมตัวเองนะมีสมาธิตั้งมั่นจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูมันตามที่เป็นดูตามความเป็นจริงดูความจริงของกายดูความเป็นจริงของจิตใจ ความจริงของกายเนี่ยก็คือมันเป็นตัวทุกข์นะร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยมีใครยังไม่ได้ขยับตัวเลยบ้างไหมหลาพ่อพูดมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วใครยังไม่ได้ขยับตัวเลยมีไหมไม่มีเห็นไหมทาไมต้องขยับมันเมื่อยีจริงร่างกายเรานะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่พอเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับลืมไปแล้ว ไม่ทันจะรู้สึกเลยว่ามันทุกข์นะเมื่ออีกขยับอีกและ้ะไปๆมาๆมาขยับไปขยับมามากๆเข้าไปนอนดีกว่านอนไปก็เมื่ออีกก็พลิกใครนอนแล้วไม่พลิกเลยพก็พวกเป็นอมาพาสเนี่ยคลิกไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาพลิกให้เขาไม่พลิกให้เป็นแผลกดทับตายซะอีกแั้นมันทุกข์นะร่างกายเนี่ยทุกข์อยู่ในทุกทุกอิริยาบถร่างกายเปลี่ยนอิริยาบถนะเพื่อปิดบังความทุกข์ การที่เราเปลี่ยนียาบทนะเพราะงั้นก่อนที่จะเปลี่ยนียาบทนะคอยรู้สึกตัวซะก่อนเห็นทุกข์ซะก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนรียาบทนะเราทําไมต้องหายใจออกทําไมต้องหายใจเข้าเราหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าเราหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเราหายใจเข้าเรื่อยๆอย่าหายใจออกสิดูสิทุกข์หรือสุขหายใจไปหายใจเข้าไม่ไหวแล้วใช่ไหม ทุกใช่ไหมหายใจออกไปเรื่อยๆนะอย่าหายใจเข้าหายใจออกไปออกไปให้นานที่สุดเลยสุขหรือทุกข์ทุกใช่ไหมว่าความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกความทุกข์บีบคั้นร่างกายนี้นะทุกทุกอิริยาบถนี่แหละเรียนรู้ความจริงของเขาเข้าไปนะร่างกายนี้เต็มไปด้วยก้อนทุกข์นะเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยพอเราเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะจิตยอมรับความจริงแล้วกายนี้เป็นตัวทุกข์ เวลาแก่ใครแก่ตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่นะเวลาเจ็บใครเจ็บไอ้ตัวทุกข์มันจะเจ็บเวลาตายใครตายตัวทุกข์มันจะตายไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายนะใจนี้จะร่าเริงเบิกบานเลยตัวทุกข์จะตายแล้วเสียใจหรอตัวทุกข์จะตายดีใจเสียอีงร่าเริงอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายนะวันที่ทาธาตุขันธ์จะแตกนะจะผ่องใสเป็นพิเศษเลยนะสดชื่นผ่องใส อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยวันที่ท่านผ่องใสสุดขีดนีวันที่ตรัสรู้กับวันที่จะปรินิพพานเป็นธรรมชาติเลยนะครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาดีนะตอนท่านใกล้จะสิ้นนี่จะผ่องมากเลยดูเ้าง้ามงามผ่องมากเลยนะท่านสบายใจแล้วภาระกำลังจะหมดแล้วของพวกเราถ้าป่วยหนักผ่องไหมไม่ผ่องหรอกซีดเลยซีดแล้วซอีโอ้ตัวดีของเราจะตายแล้ว นะร่างกายอันแสนรักของเรากำลังใกล้ตายนะเจ็บหนักแล้วจะตายแล้วเราจะต้องพลดัพลดพรากจากคนที่เรารักแล้วสมบัติของเราก็เยอะเลา ย, ยังใช้ไม่หมดเลยนะอะไรเงี้ยแต่าบางคนสมบัติไม่หมดก็ยังดีนะบางคนนี่ยังไม่หมดเลย <c oughs> ยิ่งแย่หนักขี้อิ <c> ่ง <oughs> เนี่ยรู้ความจริงของกายเข้าไปนะให้รู้สึกอยู่อย่าใจลอยถ้าใจลอยร่างกายเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นหรอก ถ้ไม่ใจลอยคอยรู้สึกร่างกายเรื่อยจเห็นว่าทุกอยู่ตลอดเวลาทุกทั้งวันทุกทั้งคืนทุกทั้งตื่นทุกทั้งหลับเลยหลับอยู่ยังพลิกไปพลิกมามทุกนะดูจิตใจบ้างจิตใจเนี่ยจะไม่เที่ยงจะไม่เที่ยงนะกายเนี่ยดูทุกข์ง่ายจิตนี่ดูไม่เที่ยงง่ายจิตใจมีความสุขสัง เ, เกตไหมเวลามีความสุขสั้นนิดเดียวนะพอมีความสุขก็ให้รู้นะ ไม่ใช่มีความสุขก็ก็ดีกระดาไปกินเหล้าไปเฮฮามีความสุขลนะ้ไม่รู้เรื่องอะไรลืมเนื้อลืมตัวถ้าเราไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยจิตใจมีความสุขเราก็รู้จิตใจมีความทุกข์เราก็รู้นะคอยรู้ไปเรื่อยจิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่จิตใจอิจฉาพยาบาทอะไรคอยรู้ เห็นไมพวกที่ดูจิตดูใจเป็นนะจะได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาถึงขั้นปัญญานี่ก็คือรู้อย่างที่มันเป็นจะเห็นว่าจิตใจทุกแบบอะอยู่โชวคราวแล้วก็ดับไปเห็นแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปนี่เรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานนะเคยดูไปร่างกายจะแสดงทุกข์ได้เด่นชัดจิตใจเนี้ยจะแสดงความไม่เที่ยงได้เด่นชัดแล้วตัวที่อีกตัวหนึ่งที่จิตใจแสดงได้เด่นชัดนะคือความไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ได้ พวกเราลองสั่งจิตใจของเราตอนนี้สิว่าให้เศร้าโศกเราสั่งสิเศร้านะเศร้าเศร้าไหมไม่เศรเวลาเศร้าแล้วสั่งให้หายเศร้ามันเชื่อไหมสมมติกําลังเศร้าอกหักอยู่สั่งจงหายอกหักไม่หายหรอกะเวลาบางคนนะชอบปลอบเพื่อนแบบไม่มีธรรมะไม่รู้หลักเวลาเพื่อนอกหักมาก็ไปปลอบเพื่อนเธออย่าไปคิดถึงเขาสิพูดได้อย่าไปคิดนะทําได้ไหม หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งเพื่อดื่มน้ำห้ามพวกเราคิดนะตกลงคิดหรือไม่คิดคิดใช่ไหมสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะห้ามชั่วก็ไม่ได้เคยไม่ตั้งใจจะไม่โกรธตั้งใจต่อไปนี้จะไม่โกรธแล้วเห็นคนคนนี้ก็จะไม่โกรธลนะ รู้สึกตัวอีกทีตกไปแล้วมันห้ามไม่ได้ตรงที่ห้ามไม่ได้เนี่ยคือคําว่าอนัตตานะเนี่ยเราคอยนะคอยฝึกตัวเองเรื่อยๆสรุปนะหลักของการปฏิบัตินะ่ะต้องมีศีล น, นะต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะแล้วต้องเจริญปัญญานะอาศัยสติเป็นเครื่องมือตลอดสายเลยมีสติคอยรู้ทันกิเลสกิเลสอะไรเกิดขึ้นค่อยรู้ทันนะกิเลสก็จะครอบงําจิตไม่ได้จะได้ศีล นะถ้ามีกิเลสคือความฟุ้งซ่านจิตไหลไปแล้วรู้ทันจะได้สมาธิได้ความตั้งมั่นได้จิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันจะได้สมาธินะได้ความตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วนะมีสติรู้กายอย่างที่กายเป็นมีสติรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นคนไหนถนัดดูกายดูกายเป็นหลักคนไหนถนัดดูจิตก็ดูจิตเป็นหลักทางใครทางมันไปได้ทั้งคู่นะไปได้ทั้งสองสาย ถูกทั้งคู่เลยแล้วแต่ความถนัดถ้าดูกายมันก็จะมีจิตเป็นคนไปดูก็จะเห็นว่าทั้งกายและจิตเนี่ยไม่ใช่ตัวใช่ตนนะถ้าจะดูจิตเป็นหลักเราก็จะเห็นว่าจิตของเราเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือใจมันคิดจิตมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างเราเห็นคนนี้มีความสุขเห็นคนนี้มีความทุกข์เห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวอะไรอย่างเนี้ยนะใจหมุนไปเรื่อย เห็นว่าเฮอริเคนกําลังจะเข้าแทนป้าอะไรนะสอสมวันก่อนใจก็กังวลอะไรเงี้ยเนี่ยดูของจริงเข้าไปนะดูไปเรื่อยไม่ได้มีอะไรมากดูความจริงของกายดูความจริงของใจนะถ้าไม่ลืมกายไม่ลืมใจมันก็ดูได้ถ้าลืมกายลืมใจมันก็ดูไม่ได้ก็แค่นั้นเองแหละนีะ่ฝึก ม, กมากๆนะจนกระทั่งมันเห็นความจริงของกายของใจแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดแฉถือใจได้เองนะเขาปล่อยของเขาเองนะ ใจก็จะเข้าสู่อิสรภาพที่แท้จริงมนุษย์เนี่ยสแสวงหาอิสรภาพสแสวงหาเสรีภาพนะอเมริกาอุตส่ามีเทพีเสรีภาพนี่แต่ถ้าใจยังติดยังคล้องอยู่ไม่มีหรอกมนุษย์เนี่ยปรารถนาอิสรภาพแต่ทุกคนทุกแห่งมีแต่พันธนาการนะเต็มไปหมดเลยและเราจะมีอิสรภาพที่แท้จริงได้ถ้าใจของเราหลุดพ้นออกจากความยึดถือในรูปธรปรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวเรานะ เนี่ยวันนี้สอนให้ขนาดนี้ก็พอแล้วนะก็สอนจนหลุดพ้นแล้วจะเอาอะไรอีกก็จบหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาแค่นี้แหละถ้าดังฝั่งแล้วยังไม่เข้าใจนะไปฟังซีดีเขามีแจกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ม, มีไหมมีแจกก็ไปเอานะไปฟังได้ไปแล้วไปฟังแล้วฟังอีกบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อนะหลวงพ่อไปเทศต่างจังหวัดไปไหนบางทีไปเจอตามปั๊มน้ํามันตามร้านอาหารเจออะไรเงี้ยนะ เจอข้างถนนหนทางเขาเข้ามากราบมาไหว้มาขอบคุณชีวิตเขาเปลี่ยนเขาฟังซีดีเท่านั้นนะแล้วพวกเราถือว่ามีบุญเยอะแล้วละ่ะเจอกันบางคนเจอหลายครั้งบางคนเจอครั้งเดียววันนี้นะก็ยังดีกว่าไม่เจอเลยถือว่ามีบุญร่วมกันละที่ได้มาเจอกันถ้าไม่มีบุญร่วมกันก็ไม่ได้เจอกันหรอกบางคนอยากเจอแต่ขับรถหลงไปที่อื่นไม่เจอมี <laughs> เมื่ อ, อมีบุญร่มกันแล้วนะไปนี้ไปปฏิบัติธรรมแล้วจะได้รู้จักว่าหลวงพ่อประโมทตัวจริงนะ่ะเป็นยังไงนะนี่ตัวปลอมนะ <c oughs> ตัวปลอมไม่นานก็ตแตกสลายไปไปฝึกเอาถ้าใครไม่มีซีดีเขาไม่ได้แจกเราทุกวันไปดาวน์โหลดเอานะจากเว็บไซต์วิมุตติดอทเน็ตกรามะ .com ม ชื่อดีนะเว็บไซต์จำง่ายธรรมะ .com นะคนเขายกให้นะนคนเขายกให้เขาบอกชื่อมันดีจำง่ายใครจะเสิร์ชคำว่าธรรมะต้องเจออะไรเนะียธรรมะ .com นะมีชื่อคล้ายๆกันบ้า ง, งไปฝึกเอาใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้อะไรเอาใครจะถามเชิญกราบนมัส ก, การหลวงพ่อนะคะ หนูเพิ่งได้ซีดีจากเพื่อนนะคะเขามาให้ก็เริ่มฟังการดูจิตของหลวงพ่อปาโมดมีคําถามดูจิตก็ดูของตัวเองมาดูจิตหลวงพ่อปาโมดอเองอ๋อ <laughs> ดูจิตตัวเอง <c oughs> คือพยายามทําให้ได้ทุกวันนะคะแต่ ม, มีอารมณ์หนึ่งเวลาเรโกรธอ<ม>ดูแล้วก็ยังโกรธดูจิตตัวเองก็ยังโกรธคืออย่างนี้หนูดูไม่ถูกเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธเนี่ยถูกแล้วนะ แต่ถ้าเราอยากให้มันหายเนี่ยมันโลภขึ้นมาล้นะหรือมันมีโทสะซ้อนมีโกรธซ้อนโกรธแล้วเราอยากให้โกรธตัวแรกหายแล้วมันไม่หายเราก็หงุดหงิดเลยกลายเป็นโกรธซ้อนโกรธนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้อารมณ์อะไรดำรงอยู่ไม่ใช่เพื่อให้อารมณ์อะไรหายไปแต่ว่าเราแค่รู้ว่าอารมณ์ใดเกิดขึ้นอารมณ์ใดหายไปแค่รู้นะ แต่ถ้าหนูหวังว่าดูความโกรธแล้วมันจะหายโกรธเนี่ยเรียกว่ายังปฏิบัติไม่ได้หลักนะถ้าได้หลักก็คือจิตโกรธหรือว่าโกรธเหมือนที่พระเจ้าสอนดูกราบที่สุดทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะแค่นี้เองเราจะเห็นเลยเจิตมันจะโกรธเราห้ามมันไม่ได้หรอกนะมันโกรธอยู่ช่วคราวแล้วมันก็หายของมันเองนะดูอย่างนี้นะอย่าไปแทรกแซงกราบนะมัสมัรนหลวงพ่อครับผม ผมมาจากนอร์ทแคโรไลนาผมได้มีโอกาสประมาณ585ไมล์ครับผมโอ้ก็ไกลนะเอารถมาเองผมได้มีโอกาสรู้จากธรรมะที่หลวงพ่อแสดงจากเพื่อนสหธรรมนิคนหนึ่งที่มีความเมตตาส่งมาให้ผมหลังจากที่ผมได้รับฟังแล้วปี2010ผมได้มีโอกาสไปกราบนมำมการหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมครั้งหนึ่ง แต่หลวงพ่อได้แนะนำให้ผมดูจิตและดูกายผมก็เอามาปฏิบัติสิ่งที่ผมได้รับนั้นรู้สึกมีความสบายใจแล้วก็เห็นกิเลสของตนเองมากเป็นต้นว่าความโกรธนั้นจะมีมากเหลือเกินแล้วก็ความโลภหรือความหลงอันนี้เห็นทุกอย่างเลยก็รู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยจะดีเพราะว่าเห็นกิเลส ต, ตนเองมากเกินไป ไม่ไม่มีคําว่าเกินไปนะมีแต่เห็นน้อยไปหลังจากนั้นผมก็ทํามาเรื่อยๆปัจจุบันนี้ผมมีความรู้สึกว่าแต่ก่อนที่ผ่านมานั้นผมมีความมีจิตที่เป็นอกุศล <c oughs> เนื่องจากที่ไม่สํารวมหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการจากอนุ จากเพื่อ น, พ, อ น, นพูดล้อเรียนพระรู้สึกว่ามีความเกรงกลัวตาบาปกรรมมากมผมขอขมา ต, มต่อหลวงพ่ อ, อ, มอเมตตาช่วยเหล่าโทษให้ผมด้วยครับ อ, อาจริเยปมาเทนะทวารัตเรตเยนกตังสับพังอัปราธังขมาตุโนพันเตอุกาสะขมามิพันเตห่างขมามิทุมเทหีปีเมกมิตรปัง สาธุสาธุสาธุผมจะสํารวมระวังต่อไปให้มากที่สุดท่านมาห่พูดดีเนาะผมขอถามว่าผมมีจิตตั้งมั่นหรือเปล่ามีสินะแต่มันมีเป็นคลาลครับผมเวลาจิตไหลไปเรารู้ทุกคราวที่รู้ว่าจิตไหลโดยที่ขณะแรกที่รู้ไหลนะขณะนั้นฝูกพดีเป๊ะเลย นะแต่หลังจากนั้นมักจะตึงเกินไปกลัวจะไหลเข้าไปบังคับครับผมแล้วผมอยากรู้ว่าที่ผมว่าผมมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำเรื่อยๆนั้นเป็นความรู้สึกตัวที่ถูกต้องหรือเปล่าครับผมปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมมันไม่เหมือนอะ่ะเออถ้าไม่เหมือนก็ใช้ได้ตอนนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นแลออ้วจุกๆุที่หน้าอกด้วยออนะมันตึงเกินไปถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับผม แล้วผมติดเพ่งอยู่หรือเปล่าครับผมนิดหน่อยยังมีบ้างจิตตั้งมั่นในผมมีหรือเปล่าครับผมมีเป็นคลาลคลาว์ไงเมื่อกี้บอกแล้ว่วตอนที่รู้ว่าหลงอ่ะตอนนั้นจะตั้งขึ้นมาใหญ่ตอนเนี้ยมันไหลไหมตอนนี้ไม่ไหลครับผมเอถ้าไม่ไหลก็ไม่ไหลเพราะบังคับเอาไว้ครับผมอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าจิตตั้งมั่นมันบังคับโดยแต่ถ้ามันไหลกแล้วเรารู้นะมันจะตั้งเองอย่างเนี้ยพอดี ครับผมทีนี้ผมข อ, อการบ้านต่อนะครับไปทําอีกนะแล้วใครสังเกตจิตใจไปด้วยเราจะไม่ประครองไม่รักษามันนะแล้วก็ดูว่าจิตเนี่ยมันเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้รู้บ่อยๆถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารูเ้เราจะได้จิตที่ตั้งมั่นที่แท้จริงเึ้นมานะ<ส>จะมีพลังสาธุนมรรการคะ่ะหลวงพ่อเ อ, อตื่นเต้นมากคะ่ะอื หนูไปที่สวนสันติธรรมนะคะห ล, หลวงพ่อบอกว่าหนูยังติดให้ไปดูความเป็นกลางค่ะแล้วก็กลับมาก็รู้สึกว่าเป็นกลางมากขึ้นค่ะแล้วก็ตอนตอนที่อยู่ตอนที่หลวงพ่อเทศน์นี่ก็จะเห็นความตึงบ้างความเพ่งบ้างไหลไปแล้วคือมันจะเข้าออกเข้าออกตลอดค่ะมันเป็นเองเราไม่บังคับ ที่น่ฝึกอยู่ใช่ได้นะโน่เห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันคเห็นนะเห็นไหมว่าสุขทุกข์กับใจก็คนละอันกิเลสกับใจก็คนละอันเมื่อนโน่เห็นถึงตรงนี้ได้แล้วนียแสดงว่าขันมันแยกแล้วถ้าขันแยกแล้วเนี่ยต่อไปเราดูเลยสติระลึกรู้กายก็เห็นว่ากายไม่ใช่เราสติราลึกรู้เวทนาก็เป็นแค่เวทนาไม่ใช่เรานะรู้กิเลสก็แค่กิเลสไม่ใช่เราดูอย่างนั้นได้ทำถูกละ แล้วก็ได้คุณวิลลี่ได้แนะนำให้มาประมาณเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันชัดมากขึ้นนะคะเรา อ, อยาให้ชัดเกินไปนะต้องชัดพอดีค่ะคือมันเหมือนกับแต่ก่อนกับตอนนี้ค่ะรู้สึกว่า เ, เวลาการสติเนี่ยต้องพอดีถ้ารู้ชัดแบบคมกริบเลยเนี่ยอันนี้นจะแรงไปจะแรงอรู้สบายๆนะค่ะรู้สบายรู้บ้างเผลอบ้างดี ถ้ารู้ตลอดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เพงค่ะก็ตึงเกินไปค่ะมันเห็นมันจะพยายามสร้างความเป็นตัวตนนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอหนูเห็นปุ๊บมันมันสร้างเป็นตัวตนไม่ได้ค่ะ<ช>มันเห็นแล้วมันมันปล่อยมีช่องว่างแล้วเกิดขึ้นมามันก็ลงขึ้นแล้วเห็นสุดสามครั้งแล้วมันก็จะดับลงมันเป็นตัวตนไม่ได้ค่ะใช่มันไม่มีหรอกค่ะไม่ใช่ภาวนาเพื่อละตัวตนนะเพราะตัวตนไม่มีจะให้ละกหรอกค่ะถูกแล้วละค่ะ แล้วก็ อ, อรู้สึกว่าเวลาโกรธโมโหหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจิตมันจะคลายออกแบบเขาเรียกอะไรคะมันมันไม่เหมือนก่อนนะคะมันจะแยกมากขึ้นดีทําถูกแล้วละ่ะค <c oughs> ่ะไปทําอีกไ ป, ไปทําอีกใช่ไหมคะทําถูกแล้วแล้วก็ขอถวายปฏิบัติแด่หลวงพ่อด้วยค่ะถวายพระพุทธเจ้าด้วยนะค่ะ ทำ ท, ทุกวันค่ะออดีค่ะขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยค่ะห น, น้าต่อไปไม่ต้องขอเข้ามานะขอให้รับการเข้ามาของทุกคนนะไม่ต้องขอหลายคนหรอกน้าว่ามาตื่นเต้นไหมหลวงพ่อตื่นเด่นมากค่ะ<อ><笑><笑>ก็ฟังซีดีของพ่อมาประมาณสี่ห้าปีแล้วนะคะตั้งแต่ตอนอยู่ที่เมืองไทย<ม>แต่ว่าเคยไปที่ส่วนสัติธรรมก็หลายครั้งแต่ยังไม่มีโอกาสได้ส่งกันบ้านเลยนะคะ ก็จากการฟังซีดีนะคะแล้วก็ปฏิบัติคิดว่าปฏิบัติจริงๆนะคะ<ม>เพราะว่าก็เห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะคะ<ม>เพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่น<ม>แล้วก็รู้สึกว่ามีความทุกข์เยอะมากมหลังจากปฏิบัติตามแล้วก็รู้สึกว่าจากที่เคยหลงทุกข์นานนะคะก็ทุกข์ัลง<ม>ทุกข์น้อยลงนะคะแต่ก็ยังยังมีทุกข์อยู่ ก็ก็เห็นจริงๆนะคะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะช่วยทำให้ใครายทุกได้ทุกข์ลลงนี่ถ้าเราพอวนามากกว่านี้นะเราจะรู้เลยว่าโอ้ไม่มีอะไรวิเศษเท่ากับธรรมะเลยนะอัศจรรย์จริงๆเลยแปลกสุดยอดเลยธรรมะเนี่ยใช่ค่ะมันทำให้เราพ้นจากกองทุกข์ได้นะถึงจุดหนึ่งเนี่ย จิตมันจะเป็นอิสระที่แท้จริงไม่มีอะไรมาย้อมมันได้อีกความทุกข์ก็เข้ามาไม่ถึงนะอะไรๆก็เข้ามาไม่ถึงมันเป็นอิสระถ้ายังมีสิ่งใดเข้ามาถึงเข้ามาครอบงำได้ก็ไม่อิสระฝึกไปเรื่อยๆดีที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องแล้วน ะ, ะถูกแล้วละ่ะถูกแล้วแต่ทุกวันทำในรูปแบบนะค่ ะ, ะเวลาทาในรูปแบบนะวันไหนจิตฟุ้งซ่านก็ทาความสงบ วันไหนสงบแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมัน่นคิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นะวันไหนจิตตั้งมั่นดีแล้วนะก็แยกธาตแยกขันธ์ดูมไปเรื่อยๆในการซ้อมการทําในรูปแบบเหมือนกับการซ้อมชกมวยนะการปฏิบัติในชีวิตประจํำวันนี่คือการเข้าสนามชกมวยจริงๆแล้วนะส่วนใหญ่ก็ดนน็อกนะถ้าซ้อมไม่ดีนะก็ดนน็อกต่อไป อีกไหมกาบพระบุคคลหลวงพ่อดีะะอพี่หนูภาวนานะดีได้นมัสการหลวงพ่อที่หลวงพ่อที่นิวยอร์กลองพ่อได้เมตตาบอกว่าผมเนธทำได้ดีแล้วแต่ก็ยังมีข้องใจผมกับแฟนขอถามร่วมกันธรรมะข้อไหนที่ปฏิบัติสำหรับตัว ขอให้หลวงพ่อซีเนะเพื่อการธรรมะธรรมะต้องทำทั้งหมดเลยทั้งหมดนะกุศลต้องทำให้ถึงพร้อมบาปทั้งหลายต้องละกุศลทำให้ถึงพร้อมต้องทำหมดนะปกติจิตเหมือนอย่างนี้ไหมนี่มันสั่นๆตึงๆเกินไปนะครับเวลาเจอหลวงพ่อนี่มันจะเกินจริงครับเพื่อให้รู้ทันเอา ถ้าปล่อยมันซะดูมันอย่างที่มันเป็นไม่ดีก็ได้มันปล่อยไม่ได้พูดง่ายมันทำยากเนาะมันสั่งมันปล่อยมันไม่ปล่อยอ่ะไม่ทําอีกไหมครับจิตต้องถึงฐานนะครับถึงฐานแต่ไม่ได้รักษาไว้ครับถ้าถึงฐานแต่รักษาไว้ก็ไม่ใช่ถ้าไม่ได้รักษาแล้วก็ไม่ถึงฐานก็ไม่ใช่ะต้องถึงฐานโดยไม่รักษา ก็รู้ทันที่ไหลรู้ทันที่ไหลเข้ามาเองครับผมแฟนก็เหมือนกันฮึแฟ hmm? นที่ทข้างหลังก็เหมือนกันเหมือนกันแหละทำบุญมาด้วยกันนะอยอ้าดูอย่าไปรักษาจิตรล่อยให้จิตทำงานทั้งสองคนแหละครับผมไม่งันะ้ะจะเป็นโลคเครียดเกินไปครับต่อไป อยากอยากาให้นิมนต์หลวงพ่อสิแน่การเดินจมปุ่มให้มารู้เอามาเดินเลยจิตหนีไปคิดก็รู้เอานะอืมใช้ได้อืมดีไปนั่งได้นะเวลาเดินจบกล่มนะจิตไหลไปคิดเราก็รู้ทันเนาะแต่ดีแล้วลหละเดินขอบคุณครับ กราบนมัสการเจ้าคะ่ะพอเห็นหลวงพ่อเข้ามาในศาลาจิตลูกก็แข็งประคองทันทีเลยเจ้าคะ่ะธรรมดานะให้เจอหลวงพ่อก็กลัวทั้งนั้นนะเจ้าคะ่ะกิเลสมันกลัวหลวงพ่อเจ้าคะ่ะคราวที่แล้วที่ลูกไปกราบนมัสการหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมหลวงพ่อเมตตาบอกให้ลูกไปดูจิตเป็นอนัตตาลูกก็เห็นอยู่ว่าจิตเป็นอนัตตาถูกต้องไหมเจ้าค่ะ แล้วเมื่อข่าวที่ลูกไปนิวยอร์กลูกไปกับหลวงพ่อให้การบ้านให้ไปแก้ประคองโดยการที่ไปม้างกายลูกยังไม่ค่อยเข้าใจว่าลูกทำถูกต้องอยู่หรือเปล่าเจ้าค่ะถูกนะขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้ว เ, เวลาลูกเห็นจิตประคองเดี๋ยวนี้ลูกก็ไปขยับไม้ขยับมือหรือว่าไปดูที่อื่นเพื่อเป็นการแก้ถูกไหมเจ้าค่ะไม่ถูก เป็นการแก้ไม่ถูกเจ้าค่ะเออถ้าแก้นะไม่ใช่วิปัสสนาแล้วเจ้าค่ะเป็นการแบบว่าเอาจิตไปไว้ที่อื่นนะเจ้าค่ะแต่ถ้าแหม่มันติดอย่งเงี้ยไม่รู้จักเลิกสักทีนะก็เลิกไปเลยลืมการปฏิบัติไปก่อนเดี๋ยวค่อยทําใหม่เจ้าค่ะหลวงพ่อมีอะไรแนะนําอีกไหมเจ้าค่ะพื้นเดิมนะเราติดเพ่งนะเจ้าค่ะเออเพราะนั้นเราอย่าไปเพ่งมือนมากเจทําทใจสบายๆดีบ้างก็ร้ายบ้าง อย่างเมื่อกี้มันก็มีจิตที่เป็นอิสระสบายให้มาเป็นธรรมชาติรู้สึกไหมเป็นแวบๆเจ้าค่ะเห็นเจ้าค่ะนั่นแหละดีเสียที่ประคับประคองไว้ไม่ดีหรอกเหนื่อยเห็นแล้วเหนื่อยแทนเจ้าค่ะรู้ก็เหนื่อยเจ้าค่ะโอลูกพ่อเห็นแล้วก็พลอยโอ้ไม่เหนื่อยเลยนี่ลุงไม่ได้ตั้งใจจะประคองจิตมันประคองของมันเองเจ้าค่ะมันชินเจ้าค่ะนะปล่อยๆใช่ใจกล้าๆเลยไม่ดีก็ได้ แต่ห้ามผิดศีลห้าเท่านั้นนะเจ้าค่ะลูกจะรังใจรักษาศีลห้าถวายเป็นพุทธบูชาุาถวายเป็นอาจารยบูชาแ<อ>ด่หลวงพ่อด้วยเจ้าออค่ะเท่าใหญ่นี้ถึงดีนะเท่าได้เขาก็คุณมากเจ้าค่ะใครจิตออกนอกบ้างจิตออกนอกคือจิตไหลไปดูคนอื่นลืมตัวเองเนี่ยตัวเนี้ยสาคัญนะ ถ้าหักบ่อยๆจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้เป็นจุดตั้งต้นที่จะเจริญปัญญาต่อไปเพราะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราถึงจะเห็นกายเห็นใจมันทํางานได้เพราะนั้นเราจะไปดูเขาปุ๊บเราลืดตัวเราเองละเราจะไม่ได้ทํำพิปัสนาละนะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแตกหักเลยว่าเราจะไปได้ไหมในชีวิตนี้ถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทํางานเรื่อยๆไปนะเราจะได้มากผลในชีวิตนี้ การนับมาสการหลวงพ่อค่ะดิฉันเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนเก่งกล้าเหลือเกินดิฉันยังขั้นปฐมอยู่นะคะใครๆก็รู้สึกอย่างนั้นนะเวลาฟังซีดีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนอื่นเขาเก่งเราไม่เก่งนะดิฉันยังไม่เคยฟังซีดีค่ะขอโทษเลยค่ะเลยไม่ทราบว่าอะไรแต่ว่าขั้นปฐมของดิฉันคือดิฉันยังไม่เข้าใจคําว่าขันทั้ง5เป็นทุกมันคืออะไรคะ คำว่าขันเนี่ยแปลว่ากองแปลว่าส่วนสนะ่วนมันเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างรถยนต์หนึ่งคันเรารู้สึกว่ารถยนต์มีจริงๆนะพอเราถอดรถจักรออกเป็นส่วนส่วนะถอดลูกล้อออกมาลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์นึกออกไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟสายไฟไม่ใช่รถยนต์เลย เราถอดรถจนต์ออกเป็นส่วนๆเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยความเป็นรถยน์ก็หายไปเราก็ใช้วิธีเดียวกันนี้แหละเรามาถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนเป็นอะไหล่รถยนต์หลายๆอย่างนี่แหละนะกุศลอกุศลเป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งเราค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆคําว่าขันก็คือคําว่าส่วนๆนั่นแหละ แยกใจแยกใจออกเป็นส่วนๆแล้วก็พบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราตัวเราหายไปแล้วเหมือนที่รถยนต์หายไปแล้วทั้งหมดนี่รวมกันเรียกว่าขันทั้งห้าหรื อ, รอว่าโยนตัวก้ อ, น, น, อ น, นี้รวมกั น, นตัวข้อเ น, นี้จริงๆเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราแต่ว่าในความเป็นจริงแท้แล้วไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่ขันห้าที่มารวมกัน อ๋อยมยมนึกว่าว่าขันห้าคือบี้อหนึ่งข้อสองข้อสาข้อสก็ข้อ5 อ, อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คา ข, ขันข้อหนึ่งข้อสองนะไม่ใช่หรอกขันแต่ว่ากองแล้วส่วนส่วนของร่างกายส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนของความจำส่วนของความคิดปรุงดีปรุงชั่วส่วนของความรับรู้เนี่ยนึห้าส่วนอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะข้อต่อไปนะคะคือว่าท่านบอกว่า ให้โกรธเนี่ยเราจะทําให้โกรธแต่ในการปฏิบัติเราควรจะปฏิบัติยังไงคะเป็นยังไงนะฟังไม่เข้าใจแปลว่าโกรธเนี่ยคือถ้าบอกว่าจะโกรธคือเราต้องรู้กิเลสว่าโกรธเราจะต้องแก้ไขยังไงคะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าอยากโกรธหลวงพ่อบอกโกรธให้รู้ว่ากําลังโกรธอยู่ไม่ได้บอกว่าห้ามโกรธนะดูกราพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะโกรธให้รู้ว่าโกรธไม่ใช่ว่าห้ามโกรธ แต่ว่าเราต้องแก้ไม่แ ก, แก้เราต้องทำยังไงคะที่ไม่ให้ใหโกรธเนี่ยคะ่ะไม่เกี่ยวไม่ให้โกรธต้องเป็นพระอนาคามี <c oughs> ยังไงก็โกรธ <c oughs> ให้โกรธแล้วให้เห็นเลยว่าความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้จิตจะโกรธห้ามมันไม่ได้นะถ้าความโกรธเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ไปเราก็จะเห็นว่าความโกรธก็อยู่ชั่วคราวนะความดีก็อยู่ชั่วคร้าวความชั่วก็อยู่ชั่วคราว ความสุขความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวลวงพ่อให้กันบ้านะนะให้กันบ้านมาต่อไปเนี้โยคอยรู้ทันมีความสุขก็ค่อยรู้ไปจะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ไปว่าความทุกข์ก็ชั่วคราวมีความโกรธเกิดขึ้นก็ดูซิว่ามันจะโกรธถาวรหรือเปล่าไม่นานก็จะเห็นว่ามันก็โกรธชั่วคราวไปดูอย่างนี้นะถ้าดูอย่างนี้ได้ก็ภาวนาได้ไม่ต้องถามเยอะเลยถามนี่จะยิ่งคิดไปใหญ่ ให้กันบ้านแล้วนะส่งให้คนอื่นไปเดี๋ยวอกี่ข้อนึ่ค่ะข้อที่สสงสัยมานานแล้วมีกี่ข้อมีสมข้อข้อสุดท้ายแล้วค่ะเหลือเหลือขออนุญาตหน่อยเพราะเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาค่ะกรรมฐานกับภาวนาเนี่ต่างกันยังไงคะอะไรนะคําว่ากรรมฐานและกับภาวนานี่ยพราะบางแห่งเราไปอาอขอไปนั่งกรรมฐานเลยครัไปนั่งภาวนาเนี่ยมันต่างกันยังไงคะภาวนาแปลว่าเจริญ จเจริญสติจเจริญปัญญาเรียกว่าภานากรรมาฐานเนี่ยเป็ว่าฐานที่ตั้งของการงานเช่นเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ามีลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของสติอย่างเงี้ยเอาโอเคใช่คนต่อไปได้ก็ค่รับหลองไม่รู้เรื่อง <laughs> <laughs> แต่เกรงใจหลวงพอ่อาถามเท่านี้พอแล้ว <laughs> ยกไปค่อยดูความรู้สึกของตัวเองนะให้กันบ้านแล้วนะจดไว้ เมืให้ไปคอยดูความรู้สึกของตัวเองโดยไม่เข้าไปแทรกแซงต่อไปนมัสการค่ะอาจารย์วันนี้แต่ก่อนติดเพ่งแรงนะตอนนี้ยังเพ่งไหมคะนิดหน่อยค่ะก็ได้คุณวิลลี่ช่วยแนะนําเยอะเลยค่ะอาจารย์อืมดีวิลลี่แต่ดีวิลลี่ก็ภาวนาดีขึ้นที่แรกหลวงพก็ห่วงนะเพราะว่าวิลลี่ไปยุ่กับคนเยอะจะภาวนาไหวหรือเปล่าเออภาวนาได้ก็ดี ค่ะคือที่ผ่านมายมจะทารูปแบบน้อยมากเพราะว่ายมกลัวเพี้ยงแต่ว่าอาศัยดูในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ก็จะฟุ้งมากเลยแล้วก็ยังมีบังคับอยู่บ้างคือไปดึงไปบล็อกความคิดนะคะแต่ทีนี้ว่าวันนี้รู้สึกว่ามันสงบลงนะคะมันนิ่งเกินไปไหมคะอาจารย์ไม่เกินไปหรอกนะทำะไปเถอะช่วงที่ไม่เจอกันนานเท่าไหร่ปีนึหรือ ไม่ถึ ง, ถงค่ ะ, ะเดือนมกราปีที่แล้วนนปีนี้ค่ะมกราดีขึ้นเมื่อมันดีขึ้นมันพัฒนาขึ้นก็ถือว่าใช้ได้ไปทำต่อไปเยมคุณจะทำยังไงต่อไปทำอย่างที่ทำนี่แหละอ๋อค่ะถ้าทำแล้วมันดีขึ้นเราไ่ทำอะไรอีกล่ะเดี๋ยวมันแย่ลงขอบคุณมากค่ะอาจารย์ นำ้ำมศการค่ะหลวงพ่ อ, อตอนแรกคือเป็นสาวมั่นนะคะปกติก็ไม่ตื่นเต้นพอคนอื่นตื่นเต้นหนูก็เลยตื่นเต้นไปด้วยก็มันก็มีหลายเรื่องหลายคำพูดนะคะที่จะเล่าแต่ว่าก็คือปีที่แล้วตัวเองมาที่นี่ไม่ได้ศรัทธาเลยค่ะ ทำทุกอย่างที่หลวงพ่อห้ามเช่นถ่ายรูประหว่างเทศอะไรเงี้ยก็ทำไปแต่ปีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่ากลับเมืองไทยค่ะไปไปกราบท่านก็คือเอาคนก็ซดีมาแจกหนูหนูไม่เอาไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ไม่ศรัทธาเสร็จแล้วกลับเมืองไทยก็เพื่อนพาไปก็ก็ไปเอาซีดีตอนแรกะกะว่าจะไม่เอาแต่ว่าติดมาสองแผ่น Mm hmm. แล้วก็มาทดลองฟังก็กะว่าถ้าฟังไม่ดีแล้วก็จะทิ้งไปเลย mm hmm. ปรากฏว่าหนูก็ไปเสียบในรถห่แล้วก็ฟังทุกวันทุกวันวันละสินาทีระหว่างขับ mm hmm. รถไปทํางาน mm hmm. คุณป้าบอกไม่มีเวลาแบบหนูนะฮะหนูก็ไม่มีเวลาค่ะก็ฟังทุกวันวันละสิบนาทีไปไปสินาทีกลับสิบนาทีแล้วก็เป็นคนที่โหนิสันมากค่ะโทษค่ะก็ปรากฏว่าไม่ไม่ชอบปฏิบัติธรรมค่ะไม่ชอบปฏิบัติไม่เคยไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีกรรมฐานอะไรเป็นการส่วนตัว มเมื่อวานอคือมีโอกาสคุยกับแม่ชีก็ท่านบอกว่าให้ทําในรูปแบบบ้างคือหนูไม่เอาเลยค่ะแต่หนูก็มีวิธีคิดอย่างนี้ค่ะหนูคิดว่าใจมันเหมือนเด็กเหมือนเหมือนเด็กในท้องอะค่ะแต่ไม่เคยท้องนะคะแต่ว่า<ม>ถ้าเราเปิดธรรมะให้ใจเราฟังเรื่อยๆค่ะ ม, มันก็ซึมซับไปอ<ม>ปรากฏว่าภายในระยะเวลาสองเดือนเดือนสองเดือนหนูเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะ<ม>หนูก็เปลี่ยนเยอะมากก็ซับซึ้งในธรรมะมแล้วก็ ตามธรรมะของหลวงพ่อมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันเข้าใจนี่มันปิติมาจากไหนไม่ทราบปิติะะมันเกิดเองค่ะเนี่ยหนูก็คอนโทรลตัวเองไม่ได้นะฮ ะ, ะไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่บังคับน ะ, คะแค่ว่ามีปิติรู้ว่ามีปิติค่ะคือหนูไม่จะไม่มีเรื่องของแพงค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่คิดจะปฏิบัติเลยทั้งสิน้นเพราะมันจะติดเรื่องเรื่องนั้นมากกว่าแต่ว่าเดือนแรกหนูฟังธรรมะแล้วหนูเห็นตัวเองหัวเราะค่ะอืทํางานกับลูกค้ากําลังคุยหัวเราะกันเฮฮาในในลูกค้ากับลูกค้าเห็นตัวเองออกมาว่า เนี่ยหลงเนี่ยกำลังหัวเราะเห็นแล้วก็บางทีกําลังทำทำหนูชอบให้ทานอะค่ะชอบให้ของคนที่ทํางานอะไรเงี้ยบางทีให้แล้วมันมีความสุขหนูเห็นจิตที่มันเป็นกุศลแล้วมันยิ้มเยิม้มหนูก็กระชากกลับมาว่าเนี่ยไม่ใช่ละโอ้ยอย่าไปกระชาก เรื่อนิสิตนิสัยค่ะมันจะกระชากเพราะว่ามันฟังทำแล้วบอกว่าจิตที่เย้มเยิมหลงไปเนี่ยมันไม่ใช่พอพอให้ทานแล้วมันมันมันมันมันมันยังไงมันฟูมันห้ามไม่ได้เหมือนกันค่ะแต่ก็ชอบกระชากกลับมาไม่ทราบจะทํำยังไงค่ะให้รู้ทันว่ากระชากรู้อย่างที่มันเป็นทันรู้หนูหน้าภาวนาเป็นแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วเนี่ยมีคําถามนิดนึงค่ะอย่างหนูเนี่ยเป็นคนที่เห็นการ ไอ้เล็กๆๆๆในอากาศที่เคลื่อนตัวตอนแรกหนูก็คิดว่ามันเป็นฝุ่นไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเห็นตัวหนังสือยังเบลอค่ะแต่ว่าหนูเห็นเม็ดๆในอากาศเนี่ยมากแล้วเวลามีฝุ่นตกลงมาหนูก็เห็นว่ามันแยกออกมามันไม่ใช่ค่ะทีนี้คือสติมันแรงเหรอคะแล้วสติแรงกล้าเนี่ยมองอากาศน่าเป็นเม็ด ๆ, ๆเลยค่ ะ, <น>ะมันใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมคะมันแรงไปนะรู้สบายๆค่ะ หนูก็กระชากอีกค่ะหนูคิดว่าเนี่ยพอฟังซีดีแผ่นนเป็นคนจริงจังเลยค่ะพอเจริญสติก็จริงจังเลยเห็นเป็นเม็ดๆเลยไม่ไมันเห็นนะมันมันแต่รู้ค่ะว่าตัวเองชอบไปหยิบฉวยมาเอามาดูแต่ว่าก็ชอบทิ้งอีกเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ละเพราะว่าซีดีแผ่นนึงบอกว่าเหมือนกับออกไปข้างนอกอะไรใช่ไหมคะแต่ทํำเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเหรคะถ้ารู้ว่าออกนอกใช้ได้แต่เมื่อก่อนหลวงพ่อไม่รู้ หลวงพ่อภาวนานะเราสติขึ้นมาแรงเลยมองทุกอย่างเป็นเม็ดเมเป็นจุดจุดจุดไปหมดเลยนะะ<ฆ>แล้วก็คิดว่าอย่างเนี้ดีพยายามจะทรงอยู่ตรงเนี้ยต่วามันผิดออให้รู้อย่างที่มันเป็นเท่านั้นแหละไม่ต้องเจตนาไดูเป็นจนเป็นจุดเล็กๆเลกๆไม่จําเป็น<ฆ>อันนั้นแรงไปแล้วเรื่องแยกค่าแยกขันนี่หนูก็เ อ, อมันแยกอยู่แล้วเพราะหนูสงสัยตรงนี้ค่ะทีนหนูก็ไม่กล้าพูดถามแต่หนูหนูเห็นอ แต่ว่าก็ไม่พยายามนะคะเพราะว่าหนูไม่คิดว่าจะบรรลุเลยแต่ว่าพอคุณนุ้ยพูดชาตินี่คือทุกคนก็พูดว่าชาติหนูก็มีแอบลึกๆอะค่ะเพราะว่าอยากจะให้มันจบเหมือนกันทีนี้หลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะได้ทำให้สม่าเสมอเท่านั้นแหละนะอย่าหวังว่าจะดีแค่เรียนรู้มันไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองไปเรื่อยๆแบบไม่มีหวังผลนะแล้วมันจะง่าย หนูก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเพราะว่าไม่เคยไปเป็นบัตรธรรมที่ไหนมันก็เหมือนกับไม่มีเรื่องอมไ่ตทิศทาังแล้ววิวิ่งหนูจะต้องไปทํากรรมฐานแล้วจริงๆใจไม่อยากขอกรรมฐานคะเพราะว่าหนูหนูกลัวที่จะต้องบังคับตัวเองให้ทํำกรรมฐานนัคือใจต้องมีเครื่องอยู่จะทําให้ปฏิบัติได้ดีแต่เครื่องอยู่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยู่กับกายบางคนอยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์บางคนอยู่กับจิต หนูเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันไปก็ถือว่าทำกรรมฐานแล้ว หนูนะฮะมันดึงชีฉิตเดี๋ยวเขาจะไปดูกายคืออย่างหนูไม่เคยดูลมหายใจพอฟังซีดีเขาดูลมหายใจหนูก็จะดูลมพองยุบอะไรนี่หนูเอาหมดเลยค่ะคือไม่ปฏิบัตินะฮะแต่ว่ามันนึกจะดูอะไรขึ้นมาก็ดูเองเดี๋ยวก็ดูกายเดี๋ยวก็ดูใจเขาสลับของเขาเองสลับเองไม่เป็นไรถ้าดูกายก็เห็นกายไม่ใช่เราหรอกนะดูจิตก็จิตก็ทํางานได้เองยังยังไม่ถึงตรงขนาดว่ากายไม่ใช่เราค่ะแต่อย่างพ่อหลวงพ่อเคยบอกว่ายิ้มก็รู้เพราะจิตจิตตองที่หัวเราะ อยู่กับลูกค้าและหัวเราะเห็นร่างกายหัวเราะเนี่ยตรงนั้นมันไม่เป็นตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งที่เราไปเห็นะมันมันหลุดแยกออกมาเลยนั่นแหละค่อยๆฝึกที่หลวงพ่อพูดเรื่องแยกธาตุแยกขันนั่นแหละสรุปว่าหนูก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนได้ใช่ไหมคะได้ได้ปีหน้านิมนต์มาอีกนะคะหนูจะได้มามาตรวจสภาพอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนิมนต์ได้แต่ไม่มาหรอกมาทีหนึ่งนะใช้เวลาตั้งเดือนอืมค่ะ หลวงพ่อเนี่ยมีคนที่รอฟังธรรมมาอยู่นะเยอะแยะมากเลยต้องเฉลี่ยกันไปคือพวกเราอยู่ที่นี้ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรคันะนะคะอย่างหนูเนี่ยดูดูอินเทอร์เน็ตได้ ค่ะไม่คือว่าคนคนที่อยู่ที่เนี่ยบางทีก็คือเรากลับเมืองไทยทีหนึ่งเนี่ยเราเราจะหมดกันเยอวมากแต่หลวงพ่อมาองค์นึงเนี่ยช่วยพวกเราประหยัดได้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะเก็บตังค่าเครื่องบินให้หลวงพ่อค่ะไม่ต้องหรอกหลวงพ่อไม่เคยมาเรียลัยนะค่ะก็ขอบพระคุณค่ะคอีกคนที่หลวงพ่อต้องสอนเนี้ยนะที่รอธรรมะอยู่เนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมาก เดี๋ยพวกเราเนี่ยหลวงพ่อมาดูแล้วหลวงพ่อสบายใจกพวกเราพอนานะที่หลวงพ่อมาสอนสอนไว้เหมือนมาปลูกต้นไม้ไว้นะต้นไม้งามต้นไม้ที่นี่งามแล้วหลวงพ่อก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะแล้วหลวงพ่อก็ไปดูไอ้ต้นไม้ที่ยังอ่อนแอที่อื่นต่อไปแล้าหลวงพ่อมาเฝ้าอยู่ต้นไม้อยู่แถวนี้แล้วทำสวนอยู่แค่นี้คนจํานวนมากก็เสียประโยชน์ไปก็เฉลี่ยกันไปนะทรัพยากรหลวงพ่อนะ่ะมีจํากัด หมายถึงตัวหลวงพ่อมันมีคนเดียวมันแตกหน่อไม่เป็นไม่รู้จะเอาใครไปสอนแทนก็ลเลยต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันกรรมนัสการค่ะหลวงพ่ อ, อคือโยมไม่แน่ใจว่าโยมทำถูกหรือเปล่าพองอโยมก็ทำได้ดีขึ้นแล้วล่ะเหรอคะอเห็นไหมว่ามันโกรธได้น้อยลงโกรธได้สั้นลงพนะื้นฐานเราขี้โมโหโนะ ก, กรธปั๊บ เราไปเห็นน้ำก็หายเราไม่ได้ฝึกว่าไม่ให้โกรธนะแต่พอโกรธแล้วเรารู้ทันความโกร่งก็ดับไปส่วนจะดับหรือไม่ดับเราไม่เกี่ยวนะเยคนแรกว่าจะไปดับไม่ต้องดับหรอกเราดูให้เห็นความจริงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับต้องดูอย่างนี้หรือดูว่ามันชั่วคราวดไม่ใช่ดูว่าทํายังไงจะดับเราดูก็ดีขึ้นแล้วล่ะคแล้วถ้าเกิดอย่างสมมติมีบางอย่างเกิดขึ้นที่กลางอกเราไม่ต้องไปให้ค่าเลยไม่ต้องไม่ต้อง บางทีจิตมันก็ให้ค่าเองถ้ามันไม่ให้ค่าก็อย่าไปให้ค่ามันก็แค่ดูว่าเกิดขึ้นแล้วก็นั่นแหละ<อ>ไ ม, ไ<ป>ไม่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดด้วยซ้ำไป oh. มันเห็นว่าซ o m ติงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่รู้ว่าคืออะไรหรอก <c oughs> นะเยนนั่นแหละดีมันผุดขึ้นกลางอก <c oughs> ถ้าไม่ภาวนานะเขาไม่รู้หรอกว่ามันผุดกลางอกนะมันแปลกนะมัน <c oughs> ผุดขึ้นมาได้สุกขทุกข์ดีช่วงผุดขึ้นมากลางอกเนะี่ย คนโบราณเก่งนะบอกสวรรค์อยู่ในอกนะรกอยู่ในใจขึ้นมาตรงนี้เองขอบพระคุณค่ะหมดเลยวินทีหมดนะครับหลวงพ่อครับโอพอดีเลยละ่ะชั่วโมงครึ่งปกติหลวงพ่อก็เทศชั่วโมงครึ่งทําไมไม่นานกว่านั้นนานกว่านั้นเนี่ยพวกเรารับไม่ไหวแล้วสมองจะล้าเวลาเทศจริงๆหลวงพ่อปกติจะเทศสี่สิบห้านาทีเท่านั้น เพราะว่าสมองเนี่ยจะสดชื่นที่สุดแค่นั้นแหละอยากว่านั้นสมองหมดคุณภาพแนละ้วบางคนอยากให้เทส์ยาวๆหลายๆชั่วโมงไม่มีประโยชน์อยากฟังหลายๆชั่วโมงไปฟังซีดีฟังได้แต่หัวค่ํายันเช้าอย่างเทสไม่เลิกเลยนะ <c ười> ใครจิตออกนอกว้างสารภาพมาเห็นไหมว่า<ด>หนีอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วมาบทไม่ได้นะโอ้ ฟังหลวงพ่อมามมทั้งสามปีไม่บรรลุ <c oughs> จิตหนีทั้งวันเลยไม่ได้นะอย่าให้หนีนานหนีเล็กๆล็กน้อยๆพองามหลวงพ่อเคยฝึกนะหัดใหม่ๆเนี่ยจิตมันชอบไปจับอารมณ์ไปดูมันดูซิจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่จิตจะปล่อยอารมณ์ออกมาได้พยายามฝึกว่าสามวินาทีต้องปล่อยให้ได้นั่นเผื่อลดกว่อมจะสามวินาทีถึงจะตายอะไรเงี้ยกะ ฝึกเรื่อยสติมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นพวกเราหลายคนนะในเมืองไทยนะีชอบขับรถเร็วรถคว่ำรถคว่ำรถหงายเกิอดอุบัติเหตุนยะจิตมันจะดีดตัวขึ้นมาเลยเป็นคนดูนะเห็นรถคว่ำเห็นร่างกายพลิกไปพลิกมาจิตเด่นดวงขึ้นมาเลยฝึกแล้วได้ประโยชน์เยอะเลยกะทั้งในทางโลกโลกนะไปฝึกกันเข้า